ก็ขาก่ยตานิคมจันทร์พรายังแยกโยกแต่ผู้ชายผู้หญิงไงมันมีแ้่ผู้ชายมีแตผู้หญิงก็เรียกว่าวาตุวิการ ถ้าอาหรมิสโซโร่เนี่ยทาห้าแล้วิสโซโรวก็ห้ารออเขาเรียกอาหารกายอาหารกายน เ, าตตา เ, เนี่ยเราทำจิตตัณใจอะไเนี่ยเว่าอาหารใจทำจิตตัณใจอะรมีกายกับใจอยงเ้ยน แอาหารใจอย่างเดียวมันก็องไปไหนคนไทยสมโยงไปหาแก่ความทายแต่อาหารใจยังยไม่ได้เลยแตละวันหนึ่งทุกทำให้อาหารมั่วชั่วก็จะมันโสันเจตนาอาหารมีชื่ออยู่โอสันเจตนาอาหารเมื่อกี้หลวงตาบอ ก, กว่าเรามาทําบุญทำบุญสน้วยกันในวันแม่ รู้จักบุญไหมบุญบุญคืออชื่อของปู่ย่าทั่วดปู่ย่าตาทวชื่อบุญหระเยบุญตะบุญบุญคือชื่อความสุขชื่อความสุขเราเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบเลยไม่ใช่โดยไม่ชอบความสุขที่ได้มารือชอบเป็นบุญ ได้ข่าวว่าพวกเรามาจากรัฐอิลีนินอยสนะ์เป็นในใครอยู่อิลลิอยส์นะยกมือเ <Okay. S 1> ป็นรัฐทหารนะเจอไหมในใครมีผัวทหารยกมือด้วยก็พูดผัวอนะันหาแล <c oughs> ้วรักสามีสามีก็มีสามีทหารยกมือด้วยเนี่ยไม่พามาด้วยออกลบก่านนะอพอรู้ข่าวนะทางแจ้งข่าวในทะเ ล, าเลมาแล้ว <c oughs> ตอนที่รับเกิดให้ให้แบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่ะตอนท่รับด้รู้สึกใจเป็น่ขับรถมานี่รู้สึกมีความสุขไหมเออกสัตได้มมีความสุขไหมเรียกว่ามันเกิดความสุขที่ได้มาโดยชอบไม่ได้โดยไม่ชอบตอนที่ขับรถมาเนี่ยผ่านไฟแดงบ้างไหมัดี๋ยวหรือว่าถึงสต๊อปปั๊หยุด เคารกฎหมาเจะเป็นประเทศไทยในวิ่งซ้ายหรืออเมริกาขวิ่งขก่อนก็เรียกว่าเราปิบัติตามกฎของสังคมยิ่งเมื่อสักครู่เลยมาเจอรไทยถึตายอย่างงสวดน์ได้ยินเสียวสวดมนนี่เกิดความสุขไหมนีละบนมันได้มาโดยชอบ แค่คิดมันก็เกิดความสุขแล้วยิ่งลงมือทําไปตอนที่ตัดข้าให้ค้า ม, มีความสุขไหมไมีความสุขมีความสุขสังคมไทยเรารเลือกเอาวันแม่มารวมตัวกันด้วยนะต้องมีจดหมายนะมีการสกัดกันปล่อยข่าวกันว่ามีโควิดการปล่อยข่า ว, วา COVID. กาาวนันดะ้วยนะคนจํานวนหนึ่งนะพอไปไม่ใจไม่เกิดป่วยแล้วนะไปดะแย่แนะ่ตายแนะ่ อยู ừ, là, ่ท <Đ ể, S 1> ี่ไหนก็ตายจึงไหมว่าเราถึงว่าใช่ค่ะบางคนเนี่ยพ่อครัวก็ติดโควิดไปหมดแหละพ่อในี่ยอยู่บนโลกคือความรับโูกอุ้โลกกอดโลคสัมผัสกโกเขาก็ไม่ได้ป่วยติดโควิดเลไม่ได้ติดทุกคนนะเห็นไหมเดอะเดอะเฉพาะเชื่อว่าหน้าตาเป็นบุญอย่างเงี้ยโควิดมาเห็นแล้วก็หนีละในสารู้เองเนียเราสารู้เลยเนี่ยสารู เพื่อโครงการคุ้กันโครการรุ่นนี้ไม่ีโบนิเพรถ้าไม่ได้มีบุญไม่ได้มานั่งอที่นี่นะมาพูดเอะอธิบายถ้าไม่มีบุญละมาเรียรู้จักคนดีๆก็ไม่ได้มาที่นี่เหมือนกันเนี่ยมาด้วยบุญพวกเรามาอยู่ที่นี่ก็อยู่ในบุญอยู่ในโลกนี้ยังไม่ตายก็อยู่ในบุญถ้าขาดบุญปั๊ตายเลยมันเป็นแบบนั้นดังนั้นบุญที่ได้มาโดยชอบนะเราก็ ไปวันไดสัมผัสกันทุกวันเมื่อเกิดยันหลับคิดดีพูดดีทดําดีเป็นบุญแล้วโดยเฉพาะหลุดตายพูดเรื่องกูสนด้วยนะกูศนเป็นความฉลาดอย่างเรามานั่งที่เนี่ยฉลาดในะถือว่าฉลาดในชะ่ไหกูสนนี่แปลว่าความฉลาดแนละ้วไความฉลาดเนี้ยจะแก้ปัญหาได้ทุกชนิดเลยนะปัญญานะมันพาคนทุ่มศีลสมาธิปัญญามั น, นานะพาคนทุ่มจริงพวกเร า, าจริงไหมจริงเว้ย ยกตัวอยา่างคนได้วันแม่มนะร้องอ้านเอาอดีตดเป็นราชนีใช่ไหมอันนี้เป็นพระพัญปีหลวงนนะร้องอ้างเพื่อจะมาเจอกันคราวนี้เรามาดูมันไม่ได้แม่ราชินีนะเมื่อกี้ดืมน้ำไหมเขาก็เรียกแม่น้ำเหมือนกันนะใช่ไหมเราได้สูดอากาศนะเรียกแม่นาราอากาศนะเราเดินเหยียบดินไหมเขาก็เรียกแม่ธรณีนะเรากินข้าวใครก็เรียกแม่โภศนะใช่ไหม อืเพราะฉะนั้นคําว่าแม่เนี๋ยวนี้นเราดูที่ไหนดูที่ความดีและคุณธรรมแม่ทัพเดี๋ยวนี้ไปล็อกถึงเป็นแม่ทัพโอ้มันยิ่งใหญ่มากแล้วคำแม่แม่เล็กเดี๋ยวนี้ยนะมีพลังมหาศาลมากกรนี้คําว่าแม่เนี่ยนะพลังงานของมันคําว่าแม่คุณธรรมของแม่เมื่อมีลูกครับเอี่ยวว่าธรรนูญและศักด์เจ้า มันจะยิ่งใหญ่ยอมเสียเลือดเนื้อมากเช่นวันหนึ่งน่ยไปเห็นนกฟันโก้นกฟันโก้ใช้ปากมัวนตัวมันจะสีชมโคทั้งตัวเลยมันมามีลูกจริงๆนะประทับใจโอ้หสัตว์มันรักลูกขนาดนี้เลยนะมันรักจริงๆตัวผู้น่มันจิกหัวตัวเมียจงอยปากหลืออะไร่าจิกหัว แล้วขนไม่น้อยมเลยนะมันจิกจนทั้งเลื่อนไหลอะไรแล้วเลือนก็ไหล ล, หลงมาแล้วก็ตรงจมอยปากแล้วล ก, ลก็รูปมันรอกินเลือดแม่อจริงความมีรูปจริงวันนี้เปิดยอยู่แที่หยิบตัวศักรมาหรือจะให้ดูเป็นหลักฐานนั่นเคยก็ยึดกล่องนอกฟันโก้ไม่ได้รูปแม่เลยแล้วว่าแมงมุมเห็นแมงมุมไหมแมงมุมเนี่ยมันออกรูปมาให้รูปขี้เรา้งเต็มเลยแมงมุมแล้วท้ายสุดเนี่ย โลกมันกินแม่มันกินเลือดกินเนื้อกัดกินแม่ตายหมดเลยอโดยยีวตรตของมันนะดูสิยิ่งใหญ่เลยนะใสเดี๋ยวว่าแต่ม น, นุษย์นะโดยใส่เราโอ้โหนี่คุณธรรมของแม่นใหญ่ขนาดนันะด้นตัแปงอย่างเนี้ยมันมีลูกเด็กมันยอมยให้ลูกกินทั้งตัว เ, เอาเลือดเนื้อมันไปนอาหารให้กับลูกแล้วพอลูกมันกินเลือดเนื้อแม่มีกละหล่ำออบไปสู้โูกเลยเป็นห่วงลูกโซ่ เป็นวงจรชีวิตใช่ไหมดัไงนั้นเราเนี่ยในฐานะนะจะเป็นแม่เพลยแม่เฮ้ยวันนี้ไม่ต้องระลึกแล้วเลยถึงพ่อถึงแม่ถึงคนที่รักเราแล้วเราก็รักเคยประการแล้วเราปล่อยเราก็ตังอยู่ต่อหลจจังมาในได้จิตส่งเลิกแบบ น, นั้นโยมาได้จิตส่งเลกแบบ น, นี้ป่ะเออนะเพราะฉะนั้นแม่ทุกคนต้องเก็บไว่าพอลูกโตขึ้นเี่ย หรือเราที่ไปเป็นแอเอ่อแล้วก็มีรูปพวกนี้ก็เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่เราผ่อนมาเมื่อเจ้าเติบใหญ่แล้วก็หวังว่าเจ้าจะคอยรับใช้เราเมื่อเจ้าเติบใหญ่คอยรับใช้เราอย่ากผ่อนลาและช่วยดูของอย่างนี้นะไปใจอแบบพอเข้าบ้านปั๊บแม่หมากินข้าวหรื อ, อยัง คำถามแม่หมากินข้าวหรือยังทนที่จะถามว่าแม่แม่มกินข้าวหรือยังไม่ถ่ายแม่วาไรกินข้าวยังเด็กยังเป็นไ่าเยแมากเ mm hmm. เมื่อเติบใหญ่แล้วหวังพะเจ้าฟ่อลับใช้คอยดูแลเรื่องนั่นเรื่องนี้นเรงน้นยางเจ็บไข้กบหวังเชา่าเฝ้ารักษาคอยดูแลให้ยาจูงไปโรงพยาบาลยังพระพุทธรรมของแม่ของโูกที่เพิ่งมีต่อได เมื่อสิ้นใจองกพระเจ้าคอยปิดตาเมื่อตอนตายนั่นมันไม่ใช่กรก่กนแต่งมาเป็นลิเกแต่มันเป็นคุณสมบัติของชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตทันที่เมื่อเราถูกโอกาสแล้วมา่อก่อนเราก็ต้องกระตันดูต่ออนี้นยจะยกอ้างเงี้ยเห็นภาพนะเราไม่ใช่ว่าโตมาโดยปัฏจัรดีเนเหรือว่าครมโซม เอ็กวายของพ่อของแม่เราปั้นพ่อแม่เรามันอยู่กับตัวเราบางคนพ่อแม่ตนะายเป็นไงก็นี่ไงพ่อแม่อยู่กับเรานี่ไงเวลาเราเห็นหน้าพ่อหน้าแม่มันมองไปกับพชชั้นที่เระเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบ้ถึงทันที่สุดก็คือเห็นไหมว่าพระเจ้ายกย่องแม่กันเลยเราเป็นคนไทยสารีบุตรเนี่ยบุตรนางศารี แช่ไหมปุตของนางสันลียกย่องเทศแม่อะไรโมคะลาหรือโมควาลีแม่ชื่อโมควาลีตอแม่ประทังชื่อให้สารชื่อโกริตตุปติศัต์เราเคยได้ยินได้ฟังนไม่กี่หน้ะคุณธรรมระดับองค์สมเด็จสัมมาฯหลว่อยกย่องมากเทพแม่ต่อแม่ยิ่งใหญ่ะังนั้นเรามาลุนตัวในวันแม่ เป็นคนเนะก็ะเป็นผู้สมดนะควยก็คือมีความสุขนกึกถึงแม่ก็มีความสุขในหลบับหลับตานก็คือหน้าแม่เลยมาอย่างตาแม่กนะแม่ใส่ผ้าสิ่งสีอะไรใส่เป็นใส่เสื้อสีอะไรเป็นขาวดำหรือว่าเป็นสีนะเยวมาแล้วหนแม่มาไนอะนะคิดถึงหน้าลิชินีอนะนั้นนะลายจนีมานะแล้วระลึกได้ไนหะ พ่อแม่เราเนะแม่แน่หอกบางทีมันจะไม่ได้ดูแลเราจนตายมันมีแม่ที่ชนะตรงแม่ที่อกปการรับเราแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปไหนใครตอบได้แม่คนเนี้คือใครแม่ที่จะอยู่กับเราจนตายแล้วคอยดูแลเราด้ว ย, วยเวลาใจจะขาก่อนตายแม่คนนี้ชื่อว่า คุณเจ้าไดชี้บอกไวนะ้นลเนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่คุณหมอบอกให้มนเจอได้หน่อยทุกทนะ่านเพื่อที่จะได้แนะนำมีบุญและมีกุศสและไอ้ที่เหนือบุญหรือกุสมก็มีเอาไ้แหละแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนแม่คนนี้นชื่อ ช, ชื่ออะไรที่จะดูแลตั้งแต่วันนี้นจนตายแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดูแลวเรามาตลอดเลย แหมแม่ซื้อเแม่ชื่ออะไรแม่คะเทปใครเมื่อกี้ตอบไหมเมื่อกี้ใครตอบแม่คือสติชื่อสติมีไหมรูห้หรือไมหรไม่แว้วูไม่แม้วย่งไรใครตอบยกมือนั่นไง ม, มีคนตอบได้เลยพระเจ้าบอกว่า พระเนบทันแรกเลยนะไม่ได้เรียนรู้เลยเลยอุปชาตะบอกเลยว่าต้องมีสติสัาปพปัญญาแล้วพื่เแ้าบอกนมันเป็นคุณธรรมที่เปรียบผลข้อเหมือนแม่ที่อุปการเรายิ่งกว่าพ่อแม่เยวยเพราะนั้นที่มาที่นั่นต้องบอกนี้เสติมีสองแบบนะ นึ่งคือสติตัตยานิสสัจจะที่มันตอนต้ น, นอ่านถึงนกปันโค่ที่มันจิตเลือดเนื้อให้ชีวิตทะลุไปอันนี้คือสัจจะที่ยิ่งอันก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนั้นเป็นสติปิฏฐิที่พระเจ้าใช้ในการบรรลุธรรมกล้าพูดเลยถึงไม่ได้เจอสองปันปีท่านเกิดก่อนแต่ ร, รู้เลยเสติปิฏฐิคือสติปัฏฐาน ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพุทธเจ้าได้เปรี่ยนเทียบส ต, ติปัฏฐานเนี่ยเหมือนรอยเท้าช้างเคยได้ยินไหมทุกท่านเปลี่ยนไปเหมือนรอยเท้าช้างนะคุณธ ร, รรมที่มีในโลกนี้ทั้งหมดนะที่ใหญ่ที่สุดคือตัวสติสัปกัญญาเปรี่ยนเหมือนรอยเท้าช้างสวยรอยเท้าสัตว์เล็กสัตน้อ ย, อยคุณธรรม ต, ามต่างๆเหมือนรอยเท้าสัวสวส ต, าาตว์เล็กสัตน้อยความฝลนทนทนแข็งแข็ติบตะบเมตตาบุญนาเวขา พุทธธรรมต่างๆที่วันนี้เปลี่ยนมันล อ, อ, อยเท้าสัตว์เลสัตวอย่างนีเพราะฉะนั้นการนิมนต์ในข่าวครั้งเนี้นะเข น, นิมนต์่อเขียนหนังสือไปโดยลงชื่อว่าศาสตราจารย์ในแพทย์คงศัตว์ก็คือนั่งยืนนัแล้วก็ลงหนังสือไปสมัชชาสองอเมริกาสองใบเนี่ยเอาไปยื่น ที่ปงศุนอเมริกาเขาถามว่าเ อ, อมีใบอะไรที่เชิญแล้วก็มีการรับรองอะไรถ้ามาอเมริกาแลจะมาทำอะไระก็บอกไม่รนะู้จะสอบไปนี้ก็ดูเธอเพอเชิญมาไอเราก็้องทำตามกระกนกันขั้นตอน พอไปถึงเมื่อหลังก็ถางว่าจะมากี่เดือนเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยตามำกำหนดจะกลับไปไหมหรือ ก, กลับมาเมื่อกลับมาเมืองไทยจะกลับมาไหมเมดการวเขาบอว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเมดกันไม่เคยอยากมาเลยไม่ได้อยู่ในสมองเลยคําตอบตรเนี้ยสั้นๆปรากฏว่าให้มาใ น, นขณะที่ข้างหนนึงะ สัมภาษณ์ พ, พร้อมกันบีดน้ำตาดราม่าเยอะมากเงี้ยเฮ่ยเย็นแบบนนะั้นะเฮอลูกตายอยู่อเมริกาให้ฉันไปเถอะฉันมีรีสอรอยู่ที่สงขาฉันมัน่นโกงเฮอร้องไห้บีดน้ำตาในขณะที่อาจารย์รึผมหรืออัตามาบอกไม่เคยคิดอยากมาเลยบอกตรงไม่ได้คิดอยากไปเลยไม่ได้คิดสว่างเลยเลย แต่ว่ามันมีทางเชิญเราก็เลยทำตามขั้นตอนพอเข้ามาแล้ ว, ตวแตม่ให้ห้าเดือนอย่างนีน้มันกันมาทั้งทีมาว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้มาพูดทำให้คนไทยฟังนี่นะเสียประโยชน์แล้วมาบอกสภาบาดกลับเลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่นอยู่ติดคุกเลยนะอยู่ที่คุกคนดีเดี <c ười> ม, มุมโน่นไปมุมอาะทำไมตื่นเช้ามาทีสองทีสามทีสี่แล้วตื่นตอนไหนลุกมาจะเดินจงกรมหนุนนอนเลย เด๋อมีความสุขมากเลยะที่นี่อากาศสบายอยู่อากาศสบายจริงๆแต่ว่าแดดนะมันแฝงไปด้วยกันด้วยว่าโอ้โหไอความเย็นยนะเราออกการแดดนิดเดียวตัวดําเลยหน้ามันดาเป็นเลี่ยมเลยนะเฮ้ยดี๋ยวต้องเรียนรู้กัทนทีตั้งแต่ท่านก็ห้ามนะว่าอ ย, อย่าไปออกแดดมีคาห้ามหลายคำอย่าไปตาผ้าเปิดเนี่ยกนฎะหมายเรา แล้วอา่านครับอ่อนน้อมมีสีเข้าสู่กระมวนการ ข, ของสังคมที่นี่แล้วแต่เขาจะเรียกเขาแย่เราอยู่นะคะพากันอยู่พากันทำน่ารักแบบนั้นแต่ที่ท่านญก็คือเนี่ยตอนเนี้ยอาตมาจะพาญาติโยมเนะี่ยปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งนะเพื่อเป็นปของฝาของปวันในวันแม่เอาไว้โยมใครเอายกสองมือมือเดียวก็ไม่หาต้องสองมือด้วย <c oughs> ยกสูงๆด้วยสิ ยกเหมือนกัไมอยากเอา่ยกอย่างนี้เลยจำนวนจำนวนอเยกขอมือนะโยมอาตมาไม่พูดเยอะนะเอาแก่ไปเลยเอาไมเอาแก่ไปเลยแก่ทีาทมาแก่ตังแต่หน้าพูดเอาไหมธรรมจาให้แต่เอาไม่เอาเรื่องโยมนะมาบอกมันเสียเวลาเดินช้าทาไมชาพูดมันเดินตรงตงไม่ได้แน ไอ้สิ่งที่เป็นแก่นก็ได้เราสามารถเอาไปทําประโยชได้ทันทีทันใดเลยนะยอมยอมพูดสิควารู้สึกตัวเป็นภาษาไทยความรู้สึกตัวพูดดีจนะให้พูดตาม Follow me Follow me ความรู้สึกตั ว, ว, ตวพูดดัง เป็นเสียงยยยยเออให้มันเข้าไปในตื้นสมองเลยนะนะนะนะบอกให้เลยนะความรู้สึกตัวคือศีลสมาธิปัญญาโดนศีล ส, สมาธิปัญญาคือรู้ได้รู้แล้วก็สัมผัสเออคือสึกนี่แหละแล้วก็รู้ที่ตัวตัวไหนจะฉลาดตัวนั้นเราอยากรู้เรื่องอะไรเลยนะใส่ใจกับเรื่องนั้นเลยตายกระทบรูปอยากรู้เรื่องรูปน ะ, เ น, ะเนี่ยพลมอะลมมันทำมาจากอะไรเงี้ย ลุ่มสีอะไรอย่างเงี้ยเนะรื่องเปลี่ยนไหอย่างเงี้ยนะมันราคาแล้วไหร่อยู่กับมันไบ่อยเดี๋ยวก็รู้อย่างไม้แต่ไม้อะไรเนี่ยสนใจกับมันสนใจนไม้มันยาวกี่เมตรกี่วาแฟงกี่ก้นกี่นิ้วรื่เนเริงวัฒนการเป็นอะไรเนะ่ยอยู่กับมันสีสีอะไรเนี่ยเราอยู่กับมันไปบ่อยอยากรู้เรื่องอะไรอยู่กับมันไปบ่อยอยู่ซ้ํซซซซาๆๆแต่มาอยากอยากรู้อ่ะ ดินฟ้าขางอเมริกาเนี่ยอุณภูมิตั้งแต่เมืดจนสว่างเนี่ยอุณภูมิมันประมาณไหนฝนมันตกตอนฝนต ก, ม, นตกมันเป็นยังไงฝนตกแล้วมันเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงแล้วก็อยู่กับอากาศเป็นยังไจะได้เรียนรู้อะจะได้วัคซีนอย่างมันได้บอกไหมอยากรู้เรื่องต้นไม้อะต้นอะไรมั่อาตุลโน้นต้นสาลี่กินในี่ยรูปกลังตอปรดอนน้ำป้าก็เน่าต้องรีบกินแล้วตอนนี้โดนน้ำฝนไม่ได้ผลไม้นเน่ยเน่า ต้องชิงกินแล้วถัดมามีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยเออเป็ดผู้หญิงไงมันกี้ผู้หญิงเลนี่มิเอ้มันกี้เนี่ยขึ้นไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยเธขึ้นของตาใครลยบอกเฮ้ยยายายาย า, ยาไปเก็บไม่ได้แอปเปิ้ลแล้วก็ทราบยอดไม่หยิบเออรุ่นหลวงพ่ออาหารไหลนไม่อยิบจะเจ้าว่ามันโผลทันเราจริงไม่จริงไม่รู้ก็ไม่รู้ก็รับฟังไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะถามว่ามาหาวิทยาลัยที่ท่านเจรจา ต, ตัวว่าโตวไวจริงหรือเปล่าเพจะได้หายสงสัยโอ้สถานะเป็นจริงกันจริงสถ า, านที่ใช่หรือเปล่าว่าเอ้ออะไรอะไรเนี่ตกลงมันใช่หรือเปล่าม่ได้จใจอย่างนีน้ต่อมาอีกนิดก็ต้นในครับกําลังออกรุ่สพันธนากรขนาดนี้วเห็นผลปับ๊บรับว่าอนุมานเอาหรือห้ผลไมา้ชานิดแม่นยมเมืองไทยแล้วก็รับประทานไปบอกไอต้อตอนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทําฝ่ามรู้จักใช่ไหม อันนี้คือมันเรื่องออนอกตัวทิ้งกันคือเราไม่รู้จักตัวเองเราอยู่กับตัวเองไงเราไม่รู้จักตัวเองแก่ก็แก่ไม่เป็นเจ็บก็เจ็บไม่เป็นตายก็ตายไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้จักตัวเองมันเห็น เ, เห็นจากอะไรไปเห็นจากตัวเองและเห็นจากคนรอบตัวเป็นต้นเวลาคนเขาไม่รู้จักตัวเองเ้าหลงมันก็เป็นยังไงหลงคิดไปหลงพูดไปหลงทำไปอย่างเงี้ย อีกอย่างคือเราฝึกมารู้จักตัวเองเราเห็นไหมตัวเองมันเป็นยังไงตอนเนี้อย่างนนาผมเริ่มมาปีนี้อายุเ ข, ข, ข, ข้าหกสิบสี่เยอะอายุเข้าหกสิบตังแต่อียุเจ็ดสิบคุณหมอบอกวสัเข้าแปดสิบไม่รู้จักโอไว้ายหกสิบเนี่ยเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะผิวสังเขาเริ่มเดี่ยวมาเริ่มย่มมยนขึ้นไห นี่ถ้าเป็นไอ้ตลกเองไทยะนะไอ้มต้องไปตัดหลังตาใช่ไหมหัตงตาสองชั้นใช่ไหมโดนคนก็รุลี่ตายเลยที่ชมกันย่งไอติกรุลี่กันยใช่ไหเอออาจารยก็ปล่อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเก่งันวัยกระสีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเรื่องว้วันประลัดวัยสัญญาเฉยนี้วัยกระสีแล้วัยเตรียมตัวตายอย่างเดียวแล้วนี่ถ้าที่ทันญาติโยมนไะม เมื่อกี้หลายคนก็บอกว่ายังไม่แก่ตอนนี้ไทยอายุ 70-80 บ้างยมกมเืองเลยนะพี่นั่งโนอะ้โหเหลือเชื่อมากเลยอะ่ะนั่น อ, อ่ะ80ก็เลยว่าแทบไม่เชื่อสายตาเลยนะเมื่อโยโยอายุ80ดูแล้วโยประมาณ50ต้นๆ น, นะตอนที่ดูเนี่ย น, นี่ไม่ได้พูดคุยนะถ้าเป็นคนอีสานนี่ประมาณ50ต้นๆอีสานประเทศไทยเราโอ้โ ห, โห80แล้วเนะี่ย เนี่ยในมีสูตรอะไรดีๆบอกพระก่อนถึงแปดสิบแล้วยังดูแบบเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวอย่างเงี้ยทำยังไงอยู่ออกำลังกาไหมไม่ก็ไม่เคยทำนะแล้วอารมณ์มีรักษาอารมณ์ได้ไหคงเจนคงวาไปกติดีไหมแต่ต้องเอาหวานแต่เชงหวานแต่เบาหวานเนี่ยเบอกว่ากินยาเมทโคมีนยาเมทโคมีนเป็นยาลดไอุ ใครได้กินเมทโเมนนะเป็นคนที่อายุน้อยเนาะจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้อกันเอาเป็นว่าอานวาจะให้ความรู้นะที่รู้แล้วติดไปต่ออายุแปดสิบเลยขออนุญาตเล่าอันอิงนิดหนึ่งญาอามานญาติตอนนั้นเขาอายุเกนะ้าสิบอะไรอามคิดถึงมากเลยความรู้สึกว่าทำไมคิดถึงแปลกๆบอกไม่ถูก เคยกลับไปที่บ้านญาบ้านญาอยู่ที่พักกรเด็นถนนเป็นรถเฉลิมซอย52นะเข้าไปจะไปเจอมางกรสองอยู่พักกระด็นอาจารย์ก็นั่งรถแท็กซี่จากพุทธมณฑลเข้าไปที่พักกระเด็นญาบอกว่าเอเื่อแล้วเกินคาแนกที่เจอได้แก่แล้วไม่รู้จะอยู่ไปทามไมแต่กานต่าง และคาต่อมาคืออยากตายอยากตายมันเลยบอกญาตไม่สมศักดิ์ศรีญาติปฏิบัติธรรมมาตั้งนานยกญากเหยียดหัะปฏิบัติธรรมม า, น า, นนยยาม ต, ตมาั้งนานคาบริกรรมก็มีพุทโธก็มีทำบุญ น, นำทานทอดกระถึงเออทุกปีแล้วทาไมถึงเวลาที่ญาตอยู่ในห้องพักอาญาถึงมีนความรุสลิมเปิดตเอง แล้วบอกก็อยากตายอยากตายเป็นเสียงนวศักดิ์เสี ย, ยงธรรมพุทธก็ทำบุญนับทาเแล้สารเสียแล้วก็ไปเดือดธรรมรัตน์นยายแย่เราจับมือดิแบมือดิพลิกมือคว่ำดิพลิกมือหงารู้สึกตัวมาใช้น้ําสียงประมาณนี้ด้ยะรู้สึกตัวแ ย, ะยะ่แย่เราก็ลองทาตามนะเก้าสิบปัแต่สมองยังดีอยู่พิกมือคว่ำพลิกมือหงย ไหนโยงนำทางเนี่ยน่ะเอามือไว้ตรงไหนก็ได้หรอกน้องหงานเยี่ยวตามตอนนี้รู้สึกตัวอยู่ร้ว่รู้สึกตัวเมือว่าือมืนอนงายตอบได้ไหมตอบเองได้ไหมว่างรู้สึกตัวไหมนี่ตัวรู้สึกตัวเนี่ยก็คือสติสัมปทาญนะรู้ไวรู้ไหมเอ้คือตัวสติตัวสัมประนญญีาระยะระยะอย่างเนี้ย ปั้มไหนปั้มไหเลิกคิดถึงเรื่องอยากตายอยากตายแล้วก็นอนหลับสบายเลยคนชอก็มาจําได้วันนะั้นมาหญ้าออกมาสอนที่ผู้สมทบนต่อบตอนที่หา้านอนหลับกนะันล้วแทนที่หญ้าจะโกรธกวายใจคิดมากเพราะวาบน่นอยากตายอยากตายแต่แล้วอยู่กับกรรมมาถามแล้วนอนหลับได้สบายเลยโดยที่ไม่ต้องกินยานอนหลับคาถามคือดีไหม เรเข้ากรรมฐานเรื่องอะไรนอนจะนอนหรืออะไกินก็กินนี่คือสู่ธรรมชาติไงมันไม่ได้อยู่กับความคิดอยู่กับความโกรธอยู่กับตุกเวนาก็เรียกว่าชาวพุทธนะแล้วเข้าถึงแก่แก่ก็แก่เป็นเจ็บก็เจ็บเป็นตายก็ตายปก่ไม่ได้เดือดร้อนลูกหลานอะไรเลยถึงวลาไอ้กินก็กินถึงเวลาไอ้กินยาเลยกินยาก็ตายเป็นคนน่ารักขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะจิตใจที่ความคิดมันถูกรู้เท่ารู้ทาง ก็ ค, คือมันว่าฝันอย่างมันว่าคิดเนี่ยก็นคือเป็นวันมันเป็นเปลวมันคิดก็มันเราไม่ได้เจตนาคิดนะแต่มันคิดมันทั้งวันโยกเป็นตกอยากจํากับลืมอยากลืมกับจำเป็นไหม mm hmm. นี่แหละปัญหาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นการฝึกเพ้รู้จักตัวเองมาฝึกยาก่างนี้คิดว่าไม่รู้สึกตัวง่าย้รู้สึกตัวยากทำตาม แล้วท่านจะเชื่อหรอไหม่ว่าอีกสองวันน่ะยา่านอนยิ้มหลับตายเลยอันมาโอ้ยมีอ น, นิสงส์เลยในกะล่าวนั้นนะไปสอนยา่าก่อนจะตายสองวันแล้วก็เลยถามาว่าเวลาย่าตายย่าตายแบบไหนปรากฏว่าวางไม้วางมือวางหนะ้าวางตาแล้วก็ยิ้ม น, น้อยๆแล้วกนะ็ตาย มาอกคุณสอนทุกตายอย่นี้นได้ผลได้กุศลมากจิตนี้ดิไม่ตาเหลือกไม่น้ำลายพูดปากแล้วก็ไม่เกงเลยรู้สึกผ่อนคายผลของการฝึกอา น, นิสงส์ตั้งปัดได้เลยยิ่งคนเคยดับบนทำทานแล้วสารสีคนไทยมีอุปนิสัยที่ดีมาปัดแป๊บเดียวเองมันมีผลเกิดขึ้นมาเลยเลเพราะนั้นไม่ต้องคิดว่าอยากจะตายมาถึงเวลามันก็วางมันเอง ดินสู่ดินน้ําู่น้ำลมสู่ลมไปสู่ไฟคืนสู่ธรรมชาติไเอง น, น่าสนใจไหมมอว่าน่าสนใจนะแล้วโดยเฉพาะยังไม่ถึงอันตายเราจะสามารถยิ้มได้มาไปร่ไปอยู่ก็บลูกกับหลานอยู่เย็นเป็นสุขที่นี่อากาศมันเย็นอยู่แล้วที่หลือก็คือทําใจให้เย็ น, นถ้าใจมันร้อนต่อให้เปิดแอร์เรือกอากาศมันเย็นติดลมใจมันก็ยังรุ่มร้อนอยู่นะเนาะ เวลามันโกรธโม่เออมาเป็ น, ป, นปืนเป็นไปเออ น, นี่ที่นี่นะมีหลวงพ่อใหม่มาไรลเนี่ยอวังก็อยากจะมาสัมผัสสักครั้งนี่สิที่ทานพูดถึงวัดไหนเนาะแบบนี้แิยะวัด น, นี้แหละท่านนายมากเลยในการบริทธรรทราบว่าคุณหมอกุงศรีนี่แหละฟาครั้งนั้นะกลับเมืองไทยเป็นขนอะไรกลับมาเลยนี่แหละทำมากใช่ไหมใสก่กระเป๋าไปอวังมาต่อจิ๊กซอว์คนหมอเล่าไปหลวงพ่อมาหปปาหลวงพ่พูดไป มีมาตรฐานที่จริงๆท่าบอกว่าโอายคนท่านจดเปลี่ยนกาวประโยคท่านจะนั่งอย่างเงี้ยมันเท่นั่งรับ้าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันเท่ของไทยก็สอนกับอาณาปานสตินั่นแหละเนอาณาปานัสติาอยู่ในหนังสือไปรปิฎกเล่มที่14หน้าที่203นี่ยกำหนดไว้เรื่องอาณาปานสติส่วนไอ้ที่ อาตมามานำเสนอนะอยู่ที่หน้าที่205 ห, หน้าที่205ก็คือการนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวนะก็เรียกว่าสมยักษ์ปั๊บพระเราสามารถกได้ตื่นยันหลับเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวแล้วยอาจารยมาอยู่ที่นี่ตื่นขึ้นมา้ก็รู้สึกตัวหนึ่งเตียงคืนเลยนะหนึ่งทีงสองเลยนะปั๊บผ้าอันดับแรกงานชิ้นแรกของอาตมาคือพระโตงกัน คับดึงผ้าหม่มให้ตึงดึงให้ผ้าปูที่นอนให้ตึงหมอนเคยอยู่ตรงหัวนอนก็เก็บไว้ท้ายเตียงให้แสดงออกว่าวันนี้ปูจะไม่เข้าไปนอนอีกแล้วแสดงออกแบบนะตื่นมาแล้วก็แล้วกันไม่เข้าไว้ก็อี่อีกต่อไปที่นี่เป็ที่นอนสงที่นอนใหญ่บอก น, นิ่นะมันก็จะ ง, ง่ายในการที่เอนหลังและสบายผู้คนนอนนิ่ ม, มแล้วก็ติดสุขแมวด้วยหลับพับเก็บเสร็จ ก็ดูแลให้เรียบร้อยก็เดินออกไงเปิดประตูก็ให้เบาเบาที่สุดอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้ว่าเราลุกแล้วเราตื่นแล้วไม่ได้ไม่ติดเราที่สุดไม่รู้ว่ามีตัวเราอยู่ในนี้ด้วยอย่างนี้ไม่มีตัวตนเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วไปย่องย่องย่องออกไงตั้งติดเดินจงกรมล้างหน้าแปรงฟันเสร็จมาเลย ที่เฉพาะหรือบางทีบางบันนั่งหลงอยู่ที่นั่นโอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขยนมันอยู่ไปยืนบดนั่งเดินยืนนอนตรงเนี้ถ้าไม่แบ่งกันไป น, นมาบอกเออมันเสียดายถ้าตายไปจะ ต, ตายไปกับตัวมาแล้วอยากตะที่บอกอยากจะ่บอกเสียงต่างๆฟังชัดเลยนะถ้าชีวิตของเราเนี่ยใจมันมีสติอยู่กับตายนะไปไหนเนี่ย มันจะมีความเป็นปกติหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเลยโย่โยจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องโย่ไม่เกี่ยวแต่มันจะบอกบางจริงตรงนี้โอ้ยไม่ต้องวิตตังหรอกอยู่ไว้เดินเยือนนู่นไปนันไปบ้นนมันมีความปกติสุขหล่อเลี้ยงแต่ยิ่งละมาเห็นเมืองสีลายดอกไม้เนี่ยได้ข่าวว่าเมียหมอปลูกกันว่าอยคุณนายคุณหญิงทั้งหลายพวกเราได้ปลูกแล้วไหมนั่นแหลมันจะลงใจอย่างพวกดอกไม้สีสันพวกนี้ธรรมชาติตรเนี้ย แล้วมาาวันแรกนะมาไม like ah, ่เคยเห็นนะโยมล็อกอะไรตัวเล็กเท่าัวไม่ม um. right ือล็อกอะไรแล้วมันบินถอยหลังได้เลยมมิงเบิร์ดล็อกอะไรชื่ออะไรแฮมมิงเบิร์ดแฮมมิงเบิร์ดแฮมมิงแฮมมิงโอ้ยออกมามีกระปุกมาเลย่เห็นมาต้อนรับคิดโต๊ะทางเลยโอ้โหนะ แล้วก็เห็นนี่กันรอกเ่าเห็นตายกันฟังอย่างเงี้ยไอ้กระรอกของตัวก็วิ่งไล่กันเลยอนอืน้ะมันคงออกกําลังกายกั้นาะที่ไหนได้ตัวเมียเขาวิ่งหนีไอ้ตัวผู้เขาวิ่งไล่ตามกขาแทบสายพันธกันนะธรรมชาติถ้าตัวผู้ไม่ดิ้นห้อยแล้วมีแรงนะเออตัวนี้จะได้เป็นคู่ปรากฏว่าวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบครึ่งวันค่อนวันเสร็จแล้ว เขามาอยู่ตรงหน้าอาตม า, านะเข า, าปี้กันดืดดืดดดอยู่ตรงหน้าอาตมาเน่ยอาตม า, าเออนอนอสัตมันข้ า, ายัตพันมันวิ่งอยงทั้งวันเลยนะกินขี่ปีนอนเอามันดีกว่าไอเราเอาอนอน ส, สที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยกินที่ปี่นอนไอเรารู้สึกตัวอยู่นะเรามีสติระลึก ร, ร, รู้เห็นจับได้เห็นอยู่นะ เห็นไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุดคลเราเขาเป็นวัตถุรูปธรรมอยู่นะนเห็นไหมการฝึกสกติเห็นสัตว์ได้เห็นมันจะเกิดขึ้นมาได้ยินสัตวดด์ได้ยินก็จะเกิดขึ้นมาดวงตาเป็เจ้าแก่พูดผิโอ๊ยได้ยินเสียงดีทาฉันเสริญพูดดีพูดไม่ดีเราก็วางเชิดตัวนี้ดีไหมอยู่ที่ไหนก็นเออยู่กับโลกเราก็จะเห็นโลกตามความเป็นจิตเนี่ยผลของการที่จิตมันเหนือบุญเหนือโกศ นะบุญก็มีแต่เราอยู่เหนือบุญไปติดบุญไม่ได้บุญกุศลเราทําดีแต่ก็ไม่ติดดีเราก็ต้องปล่อยวางดีด้วยเพราะที่ทําดีทางน้ำตาทําดีแล้วเป็นทุกข์ก็มีหยุดทาดีแล้วคนไปชนทําดีแล้วคนก็มิแท้ทําดีไม่เห็นดีทําดีไม่ได้รางวัลทำดีไม่ได้เลื่อนขั้นฉะนั้นทําดีทางน้ำตาบางคนเป็นทุกข์เพราะนั้นเราอยู่เหนือกุศลที่ดีเหนือความฉลาดที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือส่งตัวปัญญาของโลกไปแล้วมันจะได้คําตอบตรงนี้ยเป็นปัญญาเยอะกว่าดีนะอา่าเพราะนั้นไอ้วัยที่มันปล่อยวางไว้สัญญาเสียเป็นวัยที่เราต้องเตรียมตัวตายก็ต้องวางกายวางใจแล้วทีเนะี้วางอารมณวางรักบางบ้านวางซะรัก ล, ล, ลูกหวกลุกขอ้อแม่พ่อพ่อปลุกแผลสมบัติแก้วแหวนแบมงลุกขาัระหว่างของเราถึงเวลาเพราะฉะนั้นมันฝากมันพูดใ้แต่ใจมันต้องทําให้เป็นด้วย เป็นอย่างที่พูดมันถึงจะเหมาะสมเน่มันถึงจะคุ้มค่าการได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์พบประเวศมาฮะแล้วก็เรามาพบกันในฐานะที่วัดไทยเราเป็นวัดไทยที่เซนหลุยมิสซูรีเป็นทางครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านเดินเข้าเดินออกผ่านพักพักมาแล้วสุดกงนี้เยอะแยะไปหมดเดินเข้าเดินออกแต่เรามาวันเนี้เรามาพบพักทางกันที่มีในใจของเรา นะกราบพระตุลูปใหญ่โดนทองคากราบพระธรรมใหญ่โดนใบลานกราบพระสงฆ์ใหญ่โดนลูกโดนหลานชาบ้านนะให้โดนพระพุทธก็คือจิตรู้ตื่นบปลือกลานภายในจิตใ จ, จของเราเพราะนั้นพระเจ้าอยู่พวกเราทุกคนไม่เว้นเลยคดอย่างนี้ฟังได้ไหมจิตรู้ตื่นเปลือกลานของเราเนะี่ยคือพุทธพระธรรมคือธรรมาชาติที่มีมดดรูกธรรมนามธรรมกุตตรธรรมอุสนธรรมคือธรรมอันกว้าดีที่หนึ่ง ก็ว่าดีนะอีกที่หนึ่งอาจจะไม่ดีกันสมัยก่อนเมืองไทยเราขับรถมอเตอร์ไซค์มีให้เปิดไฟสะกคนหรือสเปิดไฟเรือมาในเคยพูดกันแล้วว่าโอ้ยลุงหัวก็ล้าแถมเปิดไฟไปเที่ยงคืนแม่เลยกลาวันลืมปิดยังว่าอะาอย่างนี้ตอนเราเขียนกฎหมายว่าเรอต้องเปิดไฟอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมควรอย่างทีเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ที่ไม่ดีอาจจะดีเช่น หวยใต้ดินอ่ะขึ้นมาบนดินปัญชาว่าไม่ดีอ่ะว่าดีขึ้นมาใช่ไหมกระท่อมว่าไม่ดีอ่ะถูกกฎหมายขึ้นไอของไม่ดีทั้งหลายการประนมตะวัาน่ อ, นอเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยของไม่ดีนะแต่า ก, การเป็นของดีขึ้นมาก็เลยไม่ตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่เนี่ยเล้าปลาปลาเหล้ายาปลาปิ้งบอกไม่ดีก็เห็นเมากรันร่ำรวยที่สุดก็คือกลุ่มขายน้ำเมาเนี่ยดําหนึ่งของโลกของประเทศเนีะ่ะใช่ไหมพี่โย ยกเว้นในบริษัทเทน่าไอเดียขายสมองขายยายนอแวนออกโลกขายเทคโนโลยีอีรอนมัตนะนะเป็ดหีบที่ติดตัด้งอยู่กันเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของชีวิตของเราทุกคนนะที่จะต้องเกี่ยวพ้งคานด้านรูปธรรมและนมามธรรมก็คือธรรมต่อมา ก, ก็คือโยมโยมโยม ขอไปยนโยนโยนทิ้งขอไปเดี๋ยวตื่นมาเฉยทำไมไต้องถามโยนแล้วเวลาโยมเดินออกเป็นนิสัยทำามด้วยคือถ้าพูดแล้วไม่ถูกใจแล้วเดินออกปั๊บเนี่ยมันจะหยุดพูดทันทีเลยโยงเข้าใจไหมเพราะถ้าพูดไปโยนเป็นทุกเนี่ยอาายหมายถึงว่ามันกำลังทำบาปอยู่บาปเกิดตัวท่นเลถ้าเราจะตั้ถามเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียมารยาทนะ เราจะได้ไปด้วยกัน อ, อทีนี้เมื่อกี้พูดถึงประพุทธพุคธเถื่ออะไรเพียงสองน่ะกิ่มันรู้ ต, รตื่นเกิด ว, ว, วาเนาะพระธรรมคือธรรมาชาติทั้งหมดที่เราถึงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งตัวตนและธรรมอวสังธรรมจริงๆก็คือธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละแก่เจ็บตายจะมองดีกด็ได้ไปดีก็ได้ว แ, แต่คนหนึ่งคนจะมองดีกด็ได้ไมดีกด็ดแล้วกัอนอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา เราช่ความคิดแบบนี้นเป็นจังเนะท่านั้นเองบางทีความรักอาจจะเป็นความไร่อะไรบงทีความไร่เป็นความรักอันนี้มันไม่แน่จรจอนอาจะเป็นจรใจก็ไดรักนะกันเกิดตายใชยสุดก็คือจะฆ่าก็้ประเภทนันนะนะก็คือธรรมะต่อมาก็คือพระสงฆ์พรนนะนะสะนะงฆนะ์ก็คือพวกเราทุกคนนะที่ปฏิบัติสมควรแล้วบอกแต่ถูกแล้วใฏิบัติผิดแก็คือพวกเราทุกคน ไม่ได้หมายถึงว น, นี่คือสมุดที่สพระพิธีจริงคือโยนทุกคนเลยมาก็ไหว้โยนนะไอโยนเราไหว้อาตมาลองไห ว, ว้มาตัวไหว้ยโยนนะสวัสดีนะอาตมาไม่ได้ไหว้ตัวโยนต่เราไหว้ความดีที่มีอยู่ในตัวโยนคือพระได้ยินไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าพระจะเป็นคนนั้นคนนี้เราโน้นเมื่อก็คือตัวเราก็มองกลับมาเพราะฉะนั้นการมองกลับมา เราก็จะต้องมองด้วยความรู้สึกที่ตัวทุกครั้งที่เรามีสติเชนะะ่นโยมให้พระนักบโยมมันมีสร้อยแล้วร้อยอะไรสักอย่างก็ตัวนี้จะเป็นดิมิตทําให้ใจของเรากลับมาอยู่กันแล้วก็ตัวหลวงพ่อท่านเทศน์กันสถานจะไปออกรบหนึ่งนะจะมาเช่าพระที่เนี่ยเอาพระไปแ ล, ล, แล้วก็รบเสื่อมละมือถลายไหรู้ไหมเนี่ยเป็นแค่อุปราณที่สถานนี้เฉยเป็นวัตถุเมื่อเราให้พระหมายว่าใจเร า, ากลับมาหาพระ มันได้ไปหาลูกระเบิดมนไม่ได้ไปหาความกลัวตายมัไม่ได้ไปคิดเยอะมันแบบมาหเนื้อหาตั ว, ตวแต่ต้องอาศัยวัตถุอุปกรณ์ทีนี้เราลองจำแ บ, บร์แทนกัอันนี้เราต้องใช้วัตถุอุปกรณ์ที่เป็นนอกตัวและเป็นของที่พ่อแม่ให้เรามป น, นะอัะพลิกบ้างพลิกหน่นะแล้วเดี๋ยวจะพาทําในรูปแบบนี้เนึงอ่ะพลิกบ้างรู้สึกตัวคลิกใหญ่รู้สึกตั ว, อตวเอาอย่างนี้อ่ะตามองอาจะมาให้เหี่ย ตายโยมีไหมมองมือผมเรือ่องอาชมาเนะี่ยใเห็นของไทยไม่ก็อย่างนีนิดนึงอาชมากำลังจะสอบทดสอบโยมมาโยนที่นั่งนี่เนี่ยมีสติหรือเปล่าหรือว่านั่งใจลอยตามมองเห็นใช่ไหมอะเห็นยังไงทางําตามนิ่ถ้สั่ได้ก็สอนได้ถ้าสั่งไม่ได้ก็สอนไม่ได้เราคือว่าทิ่ถิ่มานะเยอะมันก็เดินลงไปเลยไม่ยอมรับ กิ่ถีมานะคืยอยกตัวผมตั้งตอนนี้เรามารับรู้เรียนรู้กันมาทำหน้าที่พูดพูดพูดค่านกันห็นไย ม, มาตั้งตั้งนานแล้วทำไมโยโยังไม่กลับเนะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ถรือว่าไมโครไบน์น้อยนะต้องไปอัพเดตแล้วโยโอ่อไปเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์อัพแรมใหม่ เออตอนเพลนไว้สติไว้เนี่ยคือสติไว้มันมีโจทย์มีคําสั่งไงว่าถ้าทําให้กทมด้วยถ้าแบ่ให้แบร่ด้วยจะได้คําสั่งจะได้โจทย์ก็ทําไว้ในใจเลยก็จะโจที์ไม่ส่งมาในก็ทําไว้ในใจจะได้ทํามาดีไว้ได้มาตายแน่นอนนะตายจะมีอะไรต่างต่างเออเริ่มมีสติไว้ขึ้นนนั่นนัน่ น, น, นสติมันไวมาไว้แล้วเออ เกมเนี่ยคือมีสติเหมือนอย่างทุกคนเลยตอนนี้ใจไม่ได้คิดอดีตคิดอนาคตคิดกลับบ้านใช่ไหมโยนไรอยู่ที่นี่ใช่ไหมนั่นไงเมื่อมีสติเราจะอยู่กับปัจจุบันและการที่เรามารู้จักตัวเราต้องอยู่กับปัจจุบันจะเรียนรู้เห็นรู้โลกตามความเป็นจริงต้องรู้ให้เป็นปัจจุบันอย่ากคิดรู้เนะี่ยให้สัมผัสรู้ตอนนี้ตาสัมผัสกับมือเอามานะแล้วทำตามนะถ้ามีสติจะทําถูก ปังไหมเห็นไหมนั animals, ่นสาธุจริงเลยซิเนี่ยคนมีบนมีกุสลแล้วก็แป๊กเดียวรู้เรื่องด้วยสามารถรู้เนื้อรู้ตัวระหว่างตัวตนถ้าทำตาข้าได้เลยด้วยคนเราทำตาเนี่ยยากมากตาตัวตนพูดไม่ทำเลยอีกแบบ กูไม่เชื่อครับภาเป็นใครไม่ไดจริงไหมพี่มาจริงไหมจริงที่เราไม่เชื่อกันถ้าจะเชื่อต้องโอแต่งโอมสมคชืของอ้างนั่นนี่โน่นย้ามเวลาสับปะอ้างอดีตไม่ใช่ไรเหตุการณ์เชื่ออะไ่ได้เลย่เอาเใหม่สิตาดูนะย้ำได้ยินไหมตาดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปก็บอกก็เลให้ตาดูว่ามันไหลทีโอ้่าความเปลงเฉยเลยเห็นยังเจ้าเห็นอะไรยางไงแล้วยอมไปเชื่อสิ่งแลยแทนที่จะเชื่อตาเลยจริงไม่เยอะจริงนะขอให้ร่อมแล้วเออขอให้ร่อฟังคำสั่งให้ดีเออ การแบทําผพระก็ใช้ตาดูตาดูน ะ, ะจะยกให้สูงขึ้นาาแล้วตอนนี้ได้เห็นเห็นไหมตอนนี้คิดใจเราทั้งมัน่นก็คือสติสมาธิที่มันอยู่ด้วยกันแล้เราลืมได้ด้วยพราะเมืเ่มีมีคำสั่งันหลัทสตยตัดกันื่อยไปไปด้วยแมาใช้ตดัดกัด้ปุ๊บปุ๊บ ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าทำอยอมแล้วนักสติดียอมไหมนะยกมือได้ยมยกมือยอมใหี่ย้หน้าเพื่อตานั่นแหละตมนสติดีก็มีดี่กหลายทัวรนั่นแหะ ก็ น, นี้เขาไม่ไเพราะว่าเขาก็หยุดเขก็ไม่ได้เชื่อจิตนะนั่นคือสติสัมปชัญญะเห็นยังสติที่ใช้ทางตาสติที่ใช้ทางหูสติที่ใช้ทางจมูกสติที่ใช้ทางลิ้นสติที่ใช้ทางร่างกายและสติที่ใช้กับความคิดนึกพูด แ, แต่เขาเรียกมันนอนทวารใจเรามีจิตจิตเรามีวิญญาณและวิญญาณเรายใช้แบบตาหูจมูกลิ้นแล้วรู้ไหมคนที่จุดสติรหลงในโลกนี้เจ็ดพันกว่าล้านคนน่ะ คนที่รู้เรื่องสติคือลูกศิษย์ลูกเจ้าที่ฝึกสติผมเรื่องไหไปบวชที่สุขโตที่จังหวัดเชโยงโขงนะไม่รู้ว่าตอนอยู่เมองไทยเป็นจังหวัดไหนเมื่อไหร่โยมคนที่น่ยโยมโยมข้าน่ยขออภัยต่างโยมโยมปกติถ้าอยู่ของไทยโยมอยู่จังหวัดไหนคนชุมพคนชุมพรอยู่จังหวัดอะไร นับกน บ, กนะบอล ท, ท, ที่ตะวัออกนับอลรานะรับยองไหมยองแค่ยองแค่เอ่อยอที่อายุ80อ่ะยอง่ค่ะกรุงเทพโกรุงเท พ, เทพอืมอยานี้ยกตวอย่างเลยนะถ้ามาอยู่ระยองเป็นคนระยองเกิดอระยองนะ่ะแล้วก็พอรู้ว่ามีคนสอนเรื่องการจลศึก ไปรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะด้วจากวัดถารานะมันจะมีวัดสมบาตรบานวัดสิทาคามีวัฒนาคามีละวัด阿拉หันวัดลาหันนีคือวัดาเรือเทลนะวัดสมบัตรบนวัดสีสมบัวันนี้เน่นไปเยอมาไปรู้เลยนะหลวงพ่อเขียนหาังสือึกตอนนั้นปี2526ไปสร้างควารู้สึกตัว แล้ววันนั้นเป็นวันที่มาสำคัญมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเลยไม่เคยได้ยินไปธรรมตายแล้วก็สอบอีกแบบหนึ่งมาไม่ว่าดีหรือไม่ดีไปสันติอโศกก็สอนอีกแบบหนึ่งม า, ไ ม, ไ, าออบบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีไปสายหลวง ป, ปู่มัน่นเพิไปอีกแบบเพราเยอะแยะไปหมดเลยทั้งพระไทยเาก็หลังแต่พอมันเจอหลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านสอนแบบไม่มีพิธีรีตองนะแต่ทั้งคน ว, นสนวีสักพิธีเนี่ยพิธีรีตองอะไรเยอะแยะพิธีรีตองก็ดี ก็าาราเอาไว้สารวัตถุวัตถุเยอะแยะไปหมดนะวัตถุสารฐานน่าเป็นที่หนึ่งวัดไทยที่หนึ่งอันนี้วัดไทยที่สองที่ย้ายมานื่จากคนเยอะและว้วก็บวกกับวัดมีเินมากขึ้นก็สามารถซื้อที่สร้างวัดได้แลว้วกาที่เป็นโบสถ์ก่าอะไรแบบี้ก็สวมรอยเลยมันมีสาสนาธรรม ส, สนานธรรมมีมา ก, ก่อนมงเลยพระเจ้าไปวัดพรเก่งเนาะของมีมาก่ ไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่เพิ่ง ม, มีมันมีมานานแล้วแต่พระเจ้าเป็นศาสนบุคคลที่ไปเห็นแล้วแล้วก็มาบอกของเรายังดีนะมากกว่าสมัยพระเจ้าปัญจวบันขี่แคห้หาคนเนี่ยอัญญาบรในญารู้ ก, ก่อนอาจารยชีเนี่ยรูท้ทีหลังนี่ของเรายังมากกว่าก็ถือว่าโชคดีถึงว่าพระเจ้าสอนอยู่เรื่องทางสามสายทางตันก็คือมันอืดอัดทางตัน ตาล ก, ก็ต้องหารหรตายแล้ว ก, ก็ต้องหาก็ทางตายก็ต้องหาทางออกไปเลยบางทีอยู่คนเดียวมันว้าเหวอยู่เดียวมันเหงาอยู่คนเดียวบอกไม่ถูกมันมีทุกอย่างนะแต่ว่าไม่รู้จะสับสนนะไม่รู้จะไปที่ทางไหนต่อมันเคยเกิดแม้เวลาอยู่คนเดียวโยกนี่คือคาพังเวลาทางตายแล้วแหละอันติีตายเกิดจะไปช้อปปิ้งจนเครียดกินเหล้าเลยเครียดช้อปปิ้ง เห็นไมยักษ์นั่นก็ตืแต่ว่าโดนละวหล่อนนมันไม่รู้มันอยู่ตัวเองไม่ได้อยู่แล้วมันร้อนมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวความคิดจะสั่งให้เปิดตู้เย็นเดี๋ยวความคิดจะพาให้เดินนั่นนี่น่นเดี๋ยวความคิดจะพาไปรดท้ำคนดินเดี๋ยวความคิดจะพาไปทำนั้นนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งวันแล้วแต่ความคิดจะพาไปมันงงตัวเองแล้วแสดงเลยดังนั้นบางทีเนี่ย เวลายอยู่คนเดียวแล้ววันหนึ่งที่เราจะต้องอยู่ในห้องมรีอยู่หรือตา ย, ยนะเราจะทํำยังไงพอเรื่อนมาเจอครูอาจารย์ที่ไหว้ได้อย่างสนิทใจคือหลวงพ่อกำหมนเกีท่านเคยมาที่นี่เลยนะคุณหมอที่พาตามรอยกันที่แล้วหลวงพ่อไปมาตรงนี้หลวงพ่อไปมาตรงนี้นั่งตรงนี้ยืนตรงนี้โอ้หลวงพ่อเกมีรอยแบบนี้เลยไนะปตามรอยเลยนะตอนตายในยท่านแบบนี้มากเลยงดงามในวันที่23เนี่ย วันตายขอท่านวันเกิดก็จะสองจิกหาวันเดียวบาลายเชนีตอไปขท่านตายแบบวชิงานพโยตายแรที่เรียกวันวชิงานภายในห้านาทีนะท่านจัดระเบียบได้ดีมากเลยท่านตั้งสติอันดับแรกคือเดินไปห้องน้ําำว่าถ้าจะแตกแล้วือคนเราจะเหยียใกล้ตายถ้าแตกน้ําไหลทั้งปากบางทางหูบางทางจมูกบางอุจจาระตับตาบ้าเลี่ยไกันมันไม่สะอาดมันไม่ดูสักอาดสะอาดมันไม่สักอาดสว่างสงบ ใช่ s <S ไหมท่นมมามทนมีสัาสาสมาณัสสารูปท่านก็ต้องสะอาดสว่างสงบไม่ก็ต้องจะตายก็ตาท่านพาตัวเดินในห้ังนะขับไทยถักตายแล้วก็พยายมีไทยเดี๋ยวจะลดน้ำส่งไม่ต้องงานส่งลงก็ไม่ต้องมีการลดน้ำท่านก็ล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้าตาให้สะอาดสะอ้านใส่เสื้อผ้าชุดที่สะอาดที่สุดแล้วกค่อยเดินในบนเตียงแล้วก็วางไม้วางมือวางแขนวางขา นะแล้วก็ถอแว่นวางเสร็จแล้วก็บอกลูกศิษย์บอกว่าเอากระดาษกระปกามาให้พ่อหน่อยนะกระปกาและกระดาษมาเสร็จท่านก็ขออนุญาตตายก็คือท่านขังไม่ใช่องตัวเองละร่างกายเพราะหมอก็ดูมาลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลมาให้ข้าวให้น้ํามามันเป็นของชาวบ้านกำลํงพานของตัวเองตายไปไดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็ต้องขออนุญาตท่านเส้นหน่ไปลามาหรอก พวกเราพวกเราขออนุญาตตายนะขอให้หลงพ่อตายนะไม่ต้องจสียใจนะบอกด้วยมารยาเสร็จแล้วท่านก็ที่ดูนัพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์บทัน้ภาษาแล้วนะยกมรูไว้ลุกสิที่ดูแลตัวเองขอบคุณค่ะวาหันน้อมถ่อตัวสูงสุดศรัทาแล้วงยิ้ด้วยท่นที่ยิงจักโสงหัเง้ขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณลูกสิษ ยกมือไหวอุศิษฐ์ยังไงว่าจะเกลยดหทีนบางทีสวัครับหลวงพ่ยกมือขนาดไหวก่อนนะแลวก็ยังรับไหวไวกว่าเราเฮ้ยสวัสดีครับความอ่ามถอตัวไม่จุดรุสานหาความบ่เคนดูดิแล้วก็ตายท่านครัขอบคุณนะขอบคุณแม่ชมไม่ชีขอบคุณหมดเลยแล้วก็วางไหวาวางมือนะแล้วก็อย่างนี้น มองของเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนี้นะและทัา้งตายด้ดวยไหวหวางคาดันอันนี้เรียกว่าคืนสู่ธรรมชาติคนที่ฝึกสเปรดดีมันจะรู้วันมะันจะตายวันไหนเมื่อไรอย่างไรนะแล้วก็เตรียมตัวตายได้อย่างส ง, าง่างามสวยงามที่สุดในดีเวสนี่แหละก็คือชาวพุทที่เราฝึกสติกันนะเพื่อโจทย์สุดท้ายเราจะต้องสอบได้ผ่านโย่เราผ่านอะไรมา รนหนาวเยาะแยกฝันสุขหันทุกข์มาเยาะแย่ๆๆฝ่าโลกให้นั่นมีเมานุ่นจนใครมาปุ๊บอวดเราไม่ได้ที่สำคัที่สุดคือเวลาเตรียมตัวตายแล้วตายอยา่างสวยงามออกมาทางไทยนะตัวเองอย่างนีงย้ยอมรับไหเพราะฉะนั้นการที่มาไปฝึกสตินะนะก็เพื่อยังไม่ตายแล้วอยู่ในโลกนี้อย่างเรียกว่าพอเจ้าจะรอดได้บอ่ะจึงทุกข์ไม่ทุกข์จำเลยหล่ะ พอจะมีที่เพื่อให้ใจิตใจของเราจิตวยยิญญนณองเนาเนาะยนมท่องตามอรตมาดิเอานี้ออาด้วยใจมีสติสตอยู่กับตายผลลัพธ์กักบปกติตวงเ ล, บล็บสี่ธรรมารูปเห่งนี้ น, นะยกเอามาจากป้าไตรวีดกในเล่มที่สิบสี่นี่ย หน้าที่สองร้ยห้าจริงจหน้าที่สองร้อยสามถ้ามีการพูดสองร้อยสี่ถ้มีการพูดเก mm. ี่ยวกับอาณาป า, านะสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกอามาวิฉัยแล้วโดยตัวเองนะ น, นะคุณเจ้าสมัยก่อนเนะี่ยรู้ด้วยอาณาป่าเพราะนอกจากสมัยก่อนชิวเดินเข้าป่าก็ามีผักมีผลไม้ตามธรรมชาติไม่ต้องปลูกเยอะนะถ้านก็มีความสุขมีชีวิตรอดได้ อยู่กับธรรมชาติแต่ยุคเรามันยุคที่ใช้ความคิดเยอยุคคอมพิวเตอร์ 5G หรือว่ายุคเรื่องเทคโนโลยีโนเท็ตใช่ไหมโรบัสที่วัดเทโลโลมันใช้สมองมันเยอะนะจะกินจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนโอ้สารภาพเทคโนโลยีมันใช้ความคิดการแข่งขันสูงมากเลยคราวนี้เราก็เลยใช้ความคิดจนกระทั่งโอ้โหความคิดมันใช้เราเราใช้มันใช้มันจนมันใช้เราเราใช้เงินใช้เงินจนินมันใช้เรา เราเป็นท่าพวเนี้ยตรงนี้อันตรายเพราะนั้นพระเจ้าเลยมีให้เลือกอีกนั่งเดินยืนนอนอีบอดใหญ่สี่แล้วมีให้เลือกอีกก็คือต้าจะตื่นยันหลับตื่นนอนขึ้นมารู้ลมหายใจเข้าออกลุกขึ้นมาก็ขับพายลุกค่อยๆเอียงตัวไปด้านซ้ายแล้วก็บ่อยขัาลุกขึ้นมาค่อยๆสังเกตความดันในสมองเลือดลมไม่งั้นเดี๋ยวหัวใจ ว, ยวายหรือว่าเอ่เลือดลมมันเดินนะว่า เป็นเลือดในสมองว่าติดใไขมันเกิ น, นเนี่ยวราเปิดตายขณะที่หรือนั่งปัสวะอุจจาระเนี่รีบรุนตายเยอะมากใะ่ไหมคุณหมอคุณเจ้าก็สั่ไว้แล้วว่าให้เรามีสติมีสมัมผัสทั้งในรูปแบบหรือนอกรูปแบบในรูปแบบทางอย่างนี้ทุกท่านปวดทุกคนยินจะพาเราเดินจะม ก, นกันแต่เดินอยู่กันที่อัตมาประยุกต์นะ ประยุกให้ใจเรามีส ต, ติอยู่กับกายเรานั่งมาสักพักลงแล้วมันเริ่มเมื่อย้าไปเป็นลายลอดเท้ามันเท้าแก้ไขตอนนี้เราซอยเท้าอยู่พที่เท้าสัมผัสรู้สึกไหมยอมอืถ้ายมพูดเรารู้สึกแสดงยอมเป็นคนที่มีบุญมีกุศลแล้วก็ชาตินี้เราสามารถทำพัินพันให้แจ้งได้ในชาตินี้แล้วเดี๋ยววันนี้ด้วยนะ มันไม่รอวันไหนตายไปแล้วเปิดใหม่อลไรใช่เดี๋ยวเนี้ยนิพพานจิมรองเกิดขึ้นมาก็คือความเป็นปกติของจิตคือนิพพานจิมรองขณะนี้ยเราอยู่กับความเป็นปกติไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ใช่ไหมมีความเฉยเฉยอุเบกขาทําหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้เราไปภาวนาหรือพัฒนาต่อทีเดียว ถ้าพัฒนาเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาทางด้านวัตถุแต่ด้านจิตวิญญาณของเราเรียกภาวนาเราพัฒนาจิตวิญญาณเราเรียกวภาวนาเพราะนั้นเนี่ยเรากาขยับรู้สึกตัวกันเนี้ยเราภาวนาได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปอาศัยห้องแกละไม่ต้องอาศัยบรรยากาศสิ่งไม่ล้อมอะไรเลยแค่มีร่างกายของเราเราดึงใจของเรามากลับมารู้สึกตัวเนี่ยภาวนาเกิดทันทีเลย เนี่ยเขาเรียกว่ากายญานุปัสสนาสติปทานหนึ่งก็เรียกว่าการเห็นกายในกายไม่ใช่สัตตัวตนหนุกขอเราเมีพูดต่างทฤษฎีอ้างอิงเลยนะเพื่อเพื่อให้เรารู้สึกเออมันมีคําอ้างมันมีทฤษฎีรองรับมันมีวิชาการรองรับไม่ใช่มาพูดกันลอยๆเฉยๆนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มาพูดไว้เนี่ยมันรับรองได้เลยนยก็ตั้งพิธีกรรมมีไม่ใช่ไม่มี แล้วเดี๋ยวนี้เราทำความจริงให้ปร า, ากฏไม่ใช่อยู่ในหนังสือแต่มันอยู่ในชีวิตจริงของพวกเราเลยแล้วไม่ต้องรอไปบวชชีพนะไม่ต้องไปรอปฏิบัติแ ท, ท้ทำกรรมาฐานบัดนั่นนี่โน้นเดี๋ยวนี้ไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเราก็ปฏิบัตแล้วไงเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตอมเมื่อไหร่จะรู้สึกแล้วก็ทำเมาได้แต่เพียงารเรารู้ว่าทฤษฎีมันหมายถึง อ, อะไรมันว่าอะไรจับของสามตัวรวมกัน ให้ใจเรามีส ต, ติอยู่ภายในสามตัวเนี่ยมันก็จะเกิดผลความเป็นปกติเป็นโบนัสเป็นรางวัลให้เราทันวันเลยใครทํามากก็ปกติมากใครทําน้อยก็ปกติน้อยแต่นั้นเนี่ยไอตัวปกติเนี่ยแหละทุกทนนี้แหละที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งตายเราจะมองเรื่องหลายเรื่องไปเรื่องปกติธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่ตอนแหละพูดนะแต่มันเกิดปัญญารับรองภายในใจ เป็นความมั่นคงเป็นความหนักแน่นเป็นความอิ่มทางจิตวิญญาณของเราอิ่มอกอิ่มใจใจของเราจะมีชีวิตมันจะมีชีวาเมื่อเราอยู่กับตัวจะอบอุ่นและเราอยู่คนเดียวมันจะมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ทั้งวันตั้งตื่นยันหลับโยมโยมไปทําให้ถึงก็แล้วกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามี่อเาพบเจอกันสั้นมากเลยโยมอิ่มละท่องที่ใจมีสติอยู่กัาย และจำไว้เลยนะเนี่ยสั้นๆแค่นี้แต่มีความหมายทั้งชีวิตเลยใจวิสติโยตายผลยลัพธ์ปกติวงเล็บศีลผลลัพธ์เท่ากับปกติวงเล็ลบศีบลออใครจำได้ก็จำใครจำไม่ได้ไม่ต้องจำเ <c oughs> พราะไม่ออกก็อสอบอยะะ <c oughs> ู่แล้วเข้าใจไหมเพียงแค่เออสอยเท้าแล้วเลือกตัวเขาใช้ได้เลย เนี่ยอยทาเราด้วยตัวมันใช้ได้เลยเนี่ยมาไม่ได้พาเพื่อเกิดอุทาหกลุ่มมันไม่ใช่นะแต่ใครที่เก็ตแล้วก็เห็นว่าเออเป็นประโยชน์นำไปพัฒนาต่อแศ บ, บัตินี้เป็นต้นไปหาเวลาที่ยาปฝึกหัดปฏิบัติแบ่งเวลาชีวิตตารางชีวิตเนี่ยไปนใช้อาหารทางกิติวิญญาณของเราด้วยอาหารตัวนี้ชื่อว่าสติสามัญญามันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่สุด เรื่องอื่นนะเป็นเรื่องเล็กๆเราทํามาทั้งกีวิตแล้วนมะันจะเยอะอย่างตัวอย่างอะไรให้ฟังนะเป็นเรื่องชีวิตจริงนะแม่ของผมเลือดธรรมานะตอนนี้อายุจะเก้าสิบแล้วแล้วแม่หรือเออเรียกว่าอะไรมารดาอืหรือจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอะแยกๆไปหมดนะแม่นี่เกิดมาจากทําอทานใช่ไหมโยม ยอมรู้มไหมว่าแม่ได้เกิดมาจากคําูดไทยรู้ไหมมันเป็นคําที่ตรงที่สุดเลยก็คืออย่างนี้ยงนึกถึงหัวนมแม่ก่อนนะหัวนมเมื่อสมัยก่อนก็มีการกินน้ําเหลืองแม่ใช่ไหมคลอดปั๊บต้องกินน้ำเหลืองแม่ก่อนลูกจะสุขภาพดีมันเป็นวัคซีนเสร็จแล้วพอดูดนมไปสักระยะหนึ่งเนะี่ยช่วงที่หิวนมเนะี่ยสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนะี่ย มันจะมีลักษณะของอาการขิวกระหายเกิดในตัวเด็กตามวัยใช่ไหมสามชั่วโมงกินทีหนึ่งสี่ชั่วโมงกินทีหนึ่งสองชั่วโมงกินทีขึ้นอยู่เด็กคนนั้นเป็นเด็กที่เรียกว่าต้องการพลังงานน้านมแม่มากน้อยแต่แล้วมันยังไงเวลามันขิวว่าแม่นอนหลับอยู่อ่ะมันจะไม่คนมีลูกใช่ไหมแล้วก็มามามาัไง ม่๊ไงมาเซอร์ไงม่๊ม่แม่ไงเนี่ยคำโบราณเดยวมาช้ก็หล่ะคว่าแม่เกิดมาจากคำโบราณมนภาษาในโลกนี้คาว่าแม่ใกล้ใกล้กันมากเลยแม่ม่ะมั๊มาเซอร์ม่ม่๊มมม่อยูเพราะนั้นอาการของธรรมชาตินี่ที่เรียกว่าจิตเหมือนกันที่มันเวลาเรารู้สึกตัวแล้วมันก็แวบไปเนี่ยจิต จิตเนี่ยก็คือจิตเราจะให้มันอยู่กับนึกกับตัวเด็ยมันต้องเวฟทุกคนที่ฝึกบ่อยๆเฮ้ยเราจะเห็นจิตใจของเราฮะสายดูจิตก็เคยมาที่เนี่ยอาจารย์ปราโมทใครรู้จักมั้งในนายกมุญเดือนนั่นแหละสายดูจิตน่ยแต่ตอนหลังดูจิตทีไม่เป็นมันไล่ไปวัดป่าสุกุโตไปเลยอาจารย์ปราโมทบอกดูจิตทีไม่เป็นละคิดดูกันเลยไล่ไปทุกนวัดป่าสุกุโตนั่นไปหาดูตายให้เป็นกันซะก่อนจริงๆเป็นอย่างนั้นจรง เพรา่อนที่จะดูจิตให้เป็นดูกายในห้จำนานไว้ก่อนเพราะดูกายก็คือเห็นจิตนั่นแหละและอีกความคิดเป็นอาการของจิตเนะมื่อเราดูกายเป็นสติมันมีตําแหงมันจะไปดูเห็นความคิดก็มันเองเห็นอาการของจิตที่ปกติกับผิดปกติกับมันเองนี่ก็คือผลพลอยได้ไม่ใช่ความคิดของเราที่ไปหาดูจิตแต่มันเป็นเรื่องของสติที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดความเป็นเองก็จะไม่ธรรมชาติความเป็นเองเพราะเราจะได้ทุกอย่างแลว้วพอเรารู้สึกตัวเนี่ย มันจะเห็นกายใจวิตรอยู่ยกับกต่อมันจะเห็นใจวิตรีตัวเวทนาใจมิติีอยู่กับจิตใจมิติอยู่กับธรรมมันมาก็มันพร้อมทั้งหมดเลยเหมือนก้าเราหาสตางมีสตางเป็นยังไงประเดี๋ยวบ้านก็มาเดี๋ยวรถก็มาพอมีสตางไงก็เดี๋ยวก็มีคนมาทําความรู้จักเดี๋ยวโจรก็มาเดี๋ยวเพื่อนเราที่ดีก็มาไอที่จ้องแล้วก็มีสารพัดนี่นขอให้มีตังก็มาเดี๋ยวมันชักโยงมาทั้งหมดเลยจริงไหมโยกก็ะจิงปะ ชี้ได้ทั้งโล่เปลี่ยนผิดเป็นถูกก็เปลี่ยนถูกเป็นผิดก็ได้ขอให้มีตังคนะ์เน่ะนี่มาอยู่นาฬิกาก็หลายคนเนะี่ยที่ทำความผิดทางกฎหมายไว้อย่างเช่นลูกชายขายน้าเมาคนนะึงเป็นที่รู้ๆกันใช่ไหมละ่ะนันมันมีตังคนะ์ไงเพราะมันมีตังค์มันก็มีอะไรก็ได้หมดแทงโลกก็มีตังคนะ์มีเงินแนหะเพราะฉะนั้น ก, กนรรมกรวิศวกรรสถาปนิกกรรมทำให้หากตังค์ได้เมื่อวานที่มาแปลเนะี่ยวิศวกรรม อรานี้เราเนี่ยทางจิตวิญญาณ เ, เรามาฝึกสติก็เรียกว่ามาหาฐานของกรรมกรรมมหาฐานเห็นไหมมันเป็นวิชาชีวิตนะเราอยู่ที่นี่พระต้องตามมาบอกวิชาชีวิตคือขาดไม่ได้เลยต่อไปนี่ก็คือนั่งเดินยินเราต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดจะคิดจะพูดจะทําก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยอย่าให้อารมณ์พาทำแตใ่ให้สติให้ปัญญามันพานาเข้าใจหรือเปล่าพูดอย่างนี้ดีไหม แล้วรู้สึกตัวอยู่แ่บตอนนะี้เออเนี่ยมันก็อยา่างแสดงออกอย่ากอยกบอกอยากอยกแบ่งปันโยมไม่ต้องมาร้องขออะไรเลยเนะใจอมาจมันมันมีเมตตาอ่อมันมีการเห็นประโยชน์มากพอจริงๆแล้วชีวิตคนทุกคนในอยากที่สอนไอ้เมื่อตามนี้ได้ซ้แบบแต่ให้รลุงตายแกขู่ว่อย่าไปยุ่งกันเดี๋ยวมันจะไปตีเขาก็เลย อ, อยู่ในนี้ก่อนเนี่ยคนเนี้ยมองมันเห็นเป็นมิตรหมดเลยอ่ะไม่เคยมองมันเห็นใครมีสตู หนูของตาเลยบอกแกอยู่จะเป็นเพื่อนไปหมดเลยนกหนูครูปิดผููคนใจมันจะเป็นอย่างนั้นจริงคนเราทำมันเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นมิตรกับทุกคนอะแต่สายลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าสัตวสัตว์สิ่งมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปเสกสรงางกันเองหรอกมันจะเกิดพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็รู้ว่าก่อนจะตายเราควรจะทําประโยชน์อะไรกับโลกนี้เองใช่ไหมโยมเออไม่เป็นสตัวใครเรามีแต่จะเป็นมิตรภาพรากเรียบไปมันจะไม่เกิดความรักได้ยังไง ใช่ไมมโยมน่ะตอนนี้โยมคิดอะไรมั่งอยู่ที่นี่แบ็กใจอยู่ที่นี่แม็กอยู่ในห้องห้องนี้ว่ัดสลึงแม็กไปหารถเอ้ยกลับบ้านหรเออเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดหรือมันอยู่ที่นี่อยู่ใครที่เห็นอาการแบมออกแสดงว่ามีสติมีนะโย่โย่เข้าใจไหมไม่ใช่ประคันสตินแนะ ประเด็นเวลาปฏิบัติแบบนีน้อย่าไปห้ามความคิดนะแต่เพียงมันคิดแล้วเราไม่ไปกับมันเห็นไหแล้วต่อรองได้ปกติไปกับมันทุกเรื่องเลยยิ่งคนบ้าไปตะอเรื่เปิดเิย เ, เลยควบคุมสติตัวเองไม่ได้คุยกับตัวเองก็รู้เรื่องเลยเนาะนะนอนะืมอ่ะตำรวจนั่งลงดีจะให้กคำถามในรูปแบบนิดนึงนะจะได้เรียกว่าไม่ เก็บภูมิหรืออมภูมิมาไว้คนเดียวแบบปันกันใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็เดี๋ยวก็วางไว้ได้แหละไม่ต้องเอากลับไปหรอกนอะยอมไปใครเฝึกแบบนี้มามัง่งเหคลิกมือรู้สึกตัวยกมือเนี่ยยกมือสูงเดก็เคยหมดแล้วเลยโ อ, อ้ยงั้นเอามาเข้าห้ามาขายสวนวะเนี่ย โยไปทําไม่เป็นไรนะกระตอให้แต่มารุ้นลมหายใจบ้างลับมารู้ตาประทีบบ้างแต่ว่ารุ้นเท้าสัมผัสบ้างให้มันพอเะคลีอเคลียอย่างเงี้ยอมาไปก่อนแล้วลึกได้อะไรกลับมาจะแสดงว่าสติมันจะว่างไวขึ้นแล้วไอ้เรื่องอื่นๆยังมันเรียกว่าปฏิบัติแล้วคนข้างๆจะเปลี่ยนไปจะดีขึ้นไม่ต้องไปหวังว่าหรอปฏิบัติแล้วการคช้จะดีขึ้นไม่ต้องไปหวังว่าหรอกมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่ ปัญหามีแต่ใจมีทุกข์แต่ก่อนเราไม่เจริญสติปัญหาก็มีใจก็ทุกข์หรือบางทีปัญหาไม่มีใจทุกข์เฉยเลยฉันฝันถึงพ่อถึงแม่เนี่ยนั่งร้องไห้เฉยเลยแล mm hmm. ้วนะแค่ความฝันนะันมันเหมือนความจริงมากเลยดังนั้ น, น, นต่อไปนี้ก็คืออะไรเกิดขึ้นใจเราจะรู้สึกตัวไว้ก่อนให้ใจเราเป็นปกติออกจากทุกข์ไว้ก่อนทุกข์มี ทุกภัยนอปัญหามีความวุ่นวายมีคนดา่าเราคนเกเลียดเราเงียแต่ใจเราไม่ทุกขเพราละเรารู้กตัวอยู่ดีไหมมันจะเป็นผลใน้รผลภัยได้ดีดีไปทำไมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทุกคนมือซ้ายขวาวาที่หัวข่าวพริกมือตั้งยกขึ้นไปคุณ่อวางที่กะเดินอ มือซ้ายตั้งเยอะขึ้นไปกระทบทับลหลังมือขวาเอามือขวาขึ้นขึ้นมาเล็นึงออกไปรือตัวไหตอนนี้มือเราอยู่ตรงไหนรู้ไหมเนี่ยมีสติอยู่วาตั้งไว้กว้ามาลงมือซ้ายมาที่กนึออกไปตั้งไงว้อีกเข่าวกว้ามาลงอันนี้เป็นรูปแบบ รูปนะแบบหนึ่งในห้าวิธีนะที่มหาเถรสมาคมหรือสักพุทธในประเทศไทยอนุญาตให้เผยแผ่ได้ทั่วโลกมีสัมมาหลางมีพุทธโธนะมีอะไรียกย่างเยียบเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เรียกแนวรูปนามก็คือแนวเคลื่อนไหวเนะี่ยเป็นหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกไม่ต้องเกิเขนเลยและไม่ต้องกลัวว่ า, วาเ้ยถูกรอค เขารับรองอยู่นี่คือวิธีการฝึกรู้รูปนามหรือก็เรียกว่ารูปนามขันห้านะชีวีมนุษย์มีขันห้าเลยมีรูปธรรมก็คือท่านั้นท่านไฟท่านดินท่านลมไงเห็นไหมแล้วมีความจําได้หมายรู้ก็เรียกสัญญามีการปรุงแต่งเยอะแยะไปหมดเลยมโนโกันสลับซับซ้อนความจริงเป็นไงไม่รู้แต่กูก็มโนเ ก, ก่งก็ปรงงงงงุงไงปรุงแต่งแล้วก็รู้ได้ทางตาหูจมูกเล่นก็เรียกวิญญาณ และอาการที่เกิดทางกายเจ็บปวดเมื่อยพวกนี้ยกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อยหรือจิตของเรารัโกโลภโกรธหลงสุขทุกข์พวกนี้ก็เรียกว่าเวทนาดีไหมเนมี่ยมารวมกันก็คือตัวชีวิตของเราเนี่ยแต่การที่เราไม่รู้จักตัวเราเองมันจะแยกไม่ได้นะใช่ไหมมันแยกไม่ได้ก็เนี่ยก็ถึงว่าเออเขาเชิญมาก็เขเียนในนั้นในนะั้นพระรูปจะมีความชมาํานาญเป็นพิเศษ แล้วก็มีสํมมานักเป็นของตัวเองเนี่ยหลายที่แล้วก็สอนเรื่องนี้โดยตรงในประเทศไทยเขาอายอย่างนั้นเลยมาเขาโอ้โหย่ยอมมขถ า, านนี้เลยเอมอมาให้หน่อยลองดูที่มาเจะได้ประโยชน์อะไรกับมันก็เลยมาเนี่ยแหลไดยินได้ฟังเต็มสองรูหูอย่างเดียวใจวิสัยโยกายนะสั้นๆแค่นี้นะเกิดอะไรขึ้นแับมาใจวิสัโยโไกลยก่อนทําจนเราคุ้นชินกับความเป็นปกติ พอปฏิบัติไปไปหนึ่งวันสองวันห้าวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะมีผลคือเราจะเป็นคนที่เอ้ยมันปกติแล้มันเองโดยที่ไม่ต้องเสียแรงแข่งขันนะมันจะเฉยเฉยเออมันเปลี่ยนไปให้ไอ้ตัวน้นใจเรามันเคยบวกว่าบวกลบสุดทุกมันกลายเป็นปกติเรื่อยๆเดี๋ยวเ๋ยวแป๊บแป๊บหวันอ้าวแป๊บแป๊บันนี่มานับไปน้่มาเฮ้ยครึ่งเดือนแล้วนีอยู่ที่ไหนคุณหมอเมันก็บางเมื่อวานเนี่ยมีความสุข นี่บวชมายี่สิบห้าปีครับเองเดี้ยโวมันแป๊บๆเหมือนบทชเมื่อวานผมผ้ายังไม่เรียบร้อยเลยบางทีหลวงตาต้องเคยเตือนเฮ้ยๆหมผ้ากับตะเข็บหลวงตาเคเตือนนะอ้ยสหายทุกบางทีผ้าไหม่อไม่รู้ไหนนอกไหนในตะเข็บกับ ข, ข้างนอกข้างในเนี่ยคล้ายๆกันเลยแ ล, แล้วก็มีอย่างอีกอันนี้ใส่ต้องเอายี่ห้อเข้าในพอเป็นผ้าไหมปั๊บต้องเอายี่ห้อออกนอก โดยเนี่ยแ้ามันมีอสองเขืนเนี่ย เ, ออเป็นเขืนมันต้องคอยฟังเสียงแต่อนอย่างเมื่อกี้มเมื่อไงเปิดเบอร์ไอ้หลังอ้าต้องรีบเปิดเบอร์มันกันอีมานณิมายามพันเตสเปิดเบอร์แล้วถ้าเป็นอยู่ที่สุกโตแล้วขอน้อนถวายถึงพลึกขึ้นมาถ้ายังไม่ถึงขอน้อนถวายก็ยังไม่รีบรับหรอกแต่ ถ, ถึงนอมถวายเมื่อไหร่ก็เออเมื่อนั้นกับพระพิสุสงฆ์พรเจ้าจงถวายพระพิสุไปพลึกขึ้นมาเลย พราะ้อนถวายกับพระพิสุทธิสงฆ์เข้าใจได้ไหมพอถึงตอนนั้นพระนอนพึบ ก, ก, กันขึ้นมาเนี่อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ข้ามเมืองตาหลียวก็หลียวตาตามกันดีไหมไงดีไหมอ่าเะวันนั้นชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของอาตมาอาตมาจะให้กลับบ้านก็ได้ไม่ให้กลับบ้านก็ได้เยอ <c oughs> <c oughs> ขับรถกี่ชั่วโมงอะจากนี่ถึงอินเดียอนย์ฮะคือ เอาเนาะอามาก็ได้ทําประโยชน์นิดนึงก็ถือว่าโมทนากับญาติโยมที่ได้ให้โอกาสเอามาทําบุญทําทานเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานใหญ่เลยพุทธเจ้าเออมันใหญ่ดีกว่าพยาทานดีกว่าให้ทานพระตุทานทั้งหมดทาการให้ธรรมะเป็นทานนะดีกว่าสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์เอามาเออพูดความจริงไปว่าเออนี่นะไอ้ที่รอดปากเอียปากกามาได้ก็ได้ความรู้สึกตัวนี่แหละ อาโยมขอเวลาปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวจากการนั่งการยืนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อย ใ, ใจมันมีบนอยู่แล้วใจของเราทุกคนทุกท่านมันมีกุศลอยู่แล้วมีความฉลาดอยู่แล้วมันจะได้ปล่อยวางบนปล่อยวางกุศลใช่ไหมแบกบกันหนักแล้วใจสุดเราก็ไม่ได้อาลัยไปแล้วแต่พอพูดถึงเขา้าถึงพระนิพพานยิงน่งอ่ะนะไม่ได้มีอะไรต้องเอาอีกแล้วก็โลงมาแค่นี้การเวียนว่ายตายเกิดก็ประมาณนี้แหละ ขี่นับล้านล้านเพลงมีดีๆช่วชั่ ว, ว, วแห่นวัตถุรูกประธรรมนามธรรมมีพภพโพลสุขติภูมิเป็นที่หวังได้แต่เทวดาก็ให้พรกันขอให้เกิดเป็นมนุษย์นะจะเดี๋ยวรูท้ทันไอ้มนุษย์เกิดขึ้นมา่อก้าทั้วไอ้ขึ้นสวรรค์นนะเอาไว้แก่นั้นน่ะเลยนิพพาน ม, มีนะโยมนะนิพพานในที่นี้ก็มาแด้หมายถึงว่ามันจะเหนือนิพพานในที่นี้อาจารย์พุทธทศก ทางกระเพาะไว้ชาดอนิีพานก็คือข้าวที่มันเย็นๆเนี่ยมันเป็นนิพานแล้วถึงกินได้ถ้าข้าวร้อนๆเนี่ยต้องเปล่าให้มันนิพานก่อนมันเป็นทันธรรมดาธรรมดาแต่ของเราไปยกแล้วโอ้โเลื่อนเลอนิพานคือใจตัวเนี้ยมันปกติปกติไม่ยอมตอนเนี้ยถ้าปกติกระจายไปนิพานแล้วอ่ะท่านี้เรามาวัดบันอีกนิดนึงการใช้รูปแบบวัดเนี่ยเนี่ยคือตัววัดของจริงนะ ไม้บรรทัดมันวัดความยาวอิโลมันวัดน้ำหนักบาลอมิเตอร์หลอนวัดความเร็วลมเครื่องยูนิเวอร์แซลเนี่ยมันวัดเทคโนโลยีวิศวกรรมมันวัดเขาเรียกว่าคอมเพนชั่นเพนชั่นทรชั่นเชียร์แรงเฉือนอะไรตัวเนี้ยมันมีเครื่องวัดคี้การวัดใจของเรามันมีบุญมีบามันมีสุขมันมีทุกข์มันมีกุศลไม่กุศลเนี่ยต้องวัดด้วยความเป็นปกตินิยมอะเราลองวัดด้วยเครื่องมือการเคลื่อนกันไหวธรรมดาธรรมดา เกินเลยกันอันนี้เราจําลองเพราะว่าเราเรียนตามพ่อตอางครูไงเราไม่มาถามเรามาทําอย่างนี้ทําไมบอกครูก็พาถามด้วยแล้วก็ม า, มาเสียวเวลาถามมยิ่งเวลาน้อยๆมันออกบรยาวแล้วเป็นสิทธิ์มีครูครูพาทําให้ก็พาทําก็ไปก่อนไม่เชื่อนะเราเป็นเป็นสิทธิ์เชื่อครูแต่ว่าเผื่อมันจะใช่แล้วเกิดใช่ขึ้นมานะโอ้มัน เป็นกำไรชีวิตของเราเป็นประโยชน์สูงสุดมันก็ถึงเวลาจะน้อยแต่มาเจอกันก็เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์จากไปมาจะขัดใจตายตรงนี้กันใกรจะไปรูกก้ไประมาะทได้ที่ไหนรับรู้ธรรมดาธรรมดาวางกายคลายายไม่ไม่เกรงไม่เพล ง, ไ ม, พลงไม่จองนะแล้วก็ไม่เผลอไหลไปตามความคิด แลแ้วจำไว้เดินเมื่อใจของเราเป็นกางเมื่อไหร่มันจะวางความเป็นครูนะแล้วเราจะเห็นกลายเป็นของกลางเป็นของธรรมชาติของโลกเดี๋ยวเราจะได้คืนมาแนละ้ช่วงนี้ก็ใช้ใช้คุ้มอ่ะแล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาเราก็คืนแม่ไปด้วยดินสุดดินน้ําสูดน้ําลมสูดลมไฟสุดไฟครูก็ทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันตายไว้ว่าวนิดหนึ่รู้จริงรู้ปลอมมันนั้นมันจะบอกเรา เราจะยิ้มได้มาภัยมาหมอระนักภัยมัจุลาชมาเยือนแล้วก็มีสติไปซักซ้อมไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วพอถึงเวล า, าก็ตกกระไดประกจรเหมือนเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาทำทำกันพอเราเริ่มวางกายจะรู้สึกสบายเลยบอกใ่นะ้นายยกไยกธรรมดาธรรมดา วัยรุ่นที่เขาเที่เผ็ดแอบผับเทีเเท่ยวเผ็นเนี่ยมีจังหวะดนตรีมีจังหวะลอ็อกมีจังหวะเร่าใจและหรือริปป์ปอกอะไรพวกนี้เยอะแยะปีนี้ประเทศไทยแล้วนะจังริปป์ปอกโลกอยู่ที่เมืองไทยเราเทศกาลดนตรีนั่นน่ะที่วัยรุ่นนั่งเต้นอย่างมีความสุขอย่างเมามันเพราะว่าเขาใช้การเคลื่อนไหวดึงใจของเขาแล้วเขาก็เมาแม น, นบังเอิญว่า มันเป็นสติแบบสัชญชาตญาณแลาวเมามันล้วมมลิดในรสชาติของฟ ม, มามันแต่ว่าการที่เราฝึกให้จิตรู้ตื่นเบิกบานตรงนีน้มันจะเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความเ ม, มามันมันจะเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางเพราะว่าสติปัญญาของเร า, าความคุ้นชินกับอะไรก็ตามมันจะวางสิ่งจริงไหมโยโ ย, โย่จริงไหมเราคุ้นชินกับอะไรสมมติลูกมนันดื้อไงคุณธรรมของพ่อของแม่อย่างไงก็ลูกกูอ่ะนะ ลูกจะดื้อขนาดไหนดื้อจนชินนะเราก็เห็นไปเรื่องธรรมดาธรรมดาเรารู้จักนิสัยเราเห็นไหมเราเห็นจนชินแล้วไม่ได้หวาดเลยเหมือนกับคนดูดส้วมองเงี้ยเราอยู่กับส้วมจนชินก็ไม่ได้ว่าดเลยแล้วก็อยู่แบบปล่อยวางเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกนะอยู่กับกายของเราบ่อยๆเราก็จะวางความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเองอย่งอางยั่ยืนเชื่อไมไหมล่ะเออไปฝึกดูมไม่ต้องรีบเชื่อนะไปฝึกดู เมื่อเราเห็นอันนี้สง ม, มันปรากฏกับใจเราจริงๆแล้วเมื่อ น, นั้นรับรองเลยไม่ต้องให้ใครมาเชียร์หรอกมันทําำก็มันเองเพราจิตมันเห็นคุณค่ามันมีพลังเกิดขึ้นมาจากข้างในมาไปเจอไปแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยมาเดินทำขนลุกให้ยมเห็นได้เลยนะ่ะเนี่ย เ, เดินเดินไปปุ๊บเนี่ยมาบอกมาเข้าปิติสุขได้เลยยมเชื่อปะะ่ะล่ะนี่มาทําให้ดูแล้วน่าจะทําให้ดูเลยแล้วนี่จะทําให้ยมดูมาเดินเข้า สมาธิเปตัวปิติไปตัวบุญเลยอารมณ์บุญมาเข้าได้เลยนลูกคนพอให้โยมดูโยกเชื่อป่ะมาแล้วโยมคนลุกเนี่ยดูว่าเห็นปุ่มเห็นปุ่มไหเห็นไหมโอโให้คนสายตาไม่ดีดูอมแม่นแค่ไหนหนตาดีนะเลยดูแลนลูกคนพอเห็นไ่ะเห็นปุ่มปุ่มเนี่ยขนับ ให้เห็นจริงยกมือขึ้นมันไม่เห็นแต่ตามมาที่มีเพ <laughs> นตาและหัวอะไรไหให้โดูธรรมะยังไม่เห็นธรรมะจริงๆมันน้อมได้เรื่องคนนี้มันน้อมได้โยมอะมาก็ยังไม่ได้ทําบนเสียงเงินเสียทองเลยนะนะแต่มาเข้าจนชินเวลาเราเข้า่ปฏิบัติธรรมจะมีปีติดหย่อเลี้ยงมีสุกหล่อเลี้ยงมีความสงบหล่อเลี้ยงเวลาใครนิมนต์ศึกมันยังเสียดายอยู่นะผลาญง่าย เพราะปีติ่สุกมันหล่อเลี้ยงขยันนะบ่ามันมีความสงบหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นปีบัติธรรมเนี่ยมันจะมีอารมณ์บนแต่โยมต้องมาหาเวลามาฝึกได้ยินไหมแล้วถ้าโยมได้ฝึกมันเป็นสมบัติของเราใครปล้นใครจี้ไปไม่ได้เงินยังปล้นชี้จีไ้ไปไดแ้แต่ว่าคุณสมบัติที่เรียกว่าบุญกุศลตัวเนี้อันนี้มันเรื่องจิฟต์เรื่องธรรมดามากเลยนะเรื่องพื้นฐานของคนที่ป็นบัติธรรมและปีติสุก และท้ายจะระวางไปวางไปวางไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเป็นปกติสุขไม่ใช่พิธีศขนะปกติสุขยอมได้ได้สัมผัสไหมตอนเนี้ปิธีศพยอมได้สัมผัสไหมตอนเนี้ยอมนั่งในห้องนี้ยมมีความสึกได้อยู่กับตวัวเองมีปิธีศพไหมยอยได้ได้วางสามีไดวางลูกได้วางหน้าที่การงานได้วางเวลาที่เราเรียกว่าต้องเป็นภาระแนละ้วมานั่งอยูนีน่รู้สึกอิจฉาหลับมีไหมใครมียกมือขึ้น นั่นไงยกมืออใช่ไหมห น, นึ่งด้านในคุณธรรมต่างๆที่มาอ้างออกมาเนี่ยโยมจริงๆโยมนะจะมีปิธิสุปตอนหนะขอไปมาขอญาตถามเล่นโยมเนะ่ยมเวลาจะมีโยอมลายมือสวยมากเลยรู้ป่ะเป็นโครบอลลัที่ลายมือสวยามาเห็นตรงซองแล้วคนนี้นี่จิตดีฮะเขียนลายมือเป็นระเบียบแล้วก็ม้วนกันไม่ตะกุบตะกัก่ะม้วนเงินเขียนบัตรแต่สวยงาน เป็นคนจัดระเบียบภายในใจโยโมอ่านจากลายมือนะใช่ลยมือโยโมไหมตึงเขียนซองนะอนั่นนะมันสัมผัส ก, กันได้เลยเนาะทางกายทางวาจาทาง จ, จิตใจการแสดงออกอ่ะอาาร์มาจะไม่พูดอะไรแล้วนะนะโยมท่องมหาจิตันสุดทีนึงก่อนใจมีสติอย่กายคนละเทากับปกติลงเล็บส ให้ตั้งแถวเป็นสองแถวตรงนี้มายืนอีกเพีเยงเดี๋ยวลงตานิคมอยู่ด้านโน้นนะครับให้หลงตาอยูด้านโน้นไป<า>เดี๋ยวอาจามาลุกผมที่อยู่ด้านนี้คุณหมออยู่ตรงนี้ขอหมอเกงใส่หมอนะหมอคงใส่ขออภัยขอขอภัยปากันม า, มาแล้วติดหมอเกงใส่ทีนี้เป็นลัาษณะของเราเนะี่ยมากันหลายคน แต่ละคนก็หนึ่งความคิดแต่ละคนก็หนึ่งจริตนิสัยฉะนี้เรามาหลอมรวมกันเป็นปกติเหมือนกันตอนนี้นะไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงไม่ได้มีความเป็นผู้ชายนะมีแต่ความเป็นธาตุสี่เหมือนกันคือมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมถูกไห ม, มเราไม่พูดถึง เ, เพศเพศใจแต่เราพูดถึงสมณะเพศ ตอนนี้ใจยมอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วรู้ตัวถ้านตาหัจะหลุดเท้าไหมกัมถันนะพอ เ, เดินมาถึงเนะี่ยผมเริ่มจะมาจะพาเดินนะเดี๋ยวหลวงตาหลวงตาขอไปหลวงตาเดินเดินอยุดท้ายๆก็ไนดะ้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยหลวงตาหลวงตามาเดินมาอีกหลงตาเดินมาอีกเดี๋ยวจะพาเดินจุกผมเป็นหนึ่งเดียวกันหลวงตามาขร ย, ยับอีกกได้ครับสักสามเก้าก็จะเอินนะจังกับ น, นะยม เดี๋ยวเราจะพาเดินแบบนี้นะเนี่ยดูการเดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกจังกรรมะหมายจกรรมะคือตรงกรมเนี่ยไม่ใช่เป็นวนปมนะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ที่บ้านจัดห้องของเราอุมไหนมุมนึ่งอนะ่เท่าที่เดินได้นะมีสวนมีต้นไม้แล้วแต่เราอุ่ไหนที่เรารู้สึกองุ่นนี้ผ่อดภลายสบายเนะื้สบายตัวก็องเอาองนั้นแหละปฏิบัติและ ว, วิธี ท, ทำทำนี้นะทําให้ดูก่อนีน่ยจะเดินทำได้ทาได้ไม่เดินเดินแล้วแบบปกตินะ แต่ว่ผิดปกติไหมหรือวาเดินย่องๆ่องไม่เอาจะเดินธรรมดาธรรมชาติของไทยของเราเดินเหมือนกับเดินเล่นในสวนสาธารณะนายหอมนะมันเดินทอดผุยเดินไกลเดินมาผ่อนใจแต่ว่าใ okay, ห okay. ้ใจเรารู้เนือรู้ตัวรู้กับเราสัมผัสรู้กําลังโปรเพลงเก่งไทยยืดหยุ่นปังทันนะลองดูนะอย่าขาดเดินหน้าเดิน เดิธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ถึงบิรเดินเหมือนคนป่วยไหมเอานะอ่ะเสร็จแล้วเรามากลับตัวคุณหมอก็กลับตัวโยนเหงื่อคุณหมอเหงื่เพื่อด้านหน้ากลับตัวก็กลับตามและเดี๋ยวอาจารย์นิคมก็จะพาเดินเปนรูปแหละแล้วก็พ า, พาเดินละเดิน เราดิแต่ละก้าวเนี่ยสำคัญใจเราอยู่ในเรื่องตัวให้ทำให้รรตัวนี้มีคุณและทาให้ชีวิตเรามีคุณภาพขึ้นมาเป็นคนไม่หลงไม่เลิมเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวและที่สำคัญเราจะมีธรรมะลดนะคอยหล่อเียดธรรมะลดลดของพระธรรมนะฮะคือตัวลอปกติมันกับน้าจืดๆนะน้นะนนะาจืดๆอะไรก็ท่า ให้ช่วยก้งช่วยก้าวแต่ว่าน้ําปกติเหมือนกับใจจิตจืดใจธรรมดาธรรมดามหล่อเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลาเลยทุกขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องกลับมาปกติจะสูบขนาดไหนก็ต้องกลับมาปกติแต่เราไม่เคยได้สังเกตไงเออไอตัวปกติมันคอยหล่อเลี้ยงช่วยเราอยู่นะเนี่ยยิ่งเรามาจเจริญสติมาฝึกมันมก็จะมีไอธรมรมะลดเลี้ยงว่าความเป็นปกติจิต เหยื่อติดเกือให้รสชาติแตกขาดไม่ได้เนราจะเห็นชัดขึ้นคืนททอทีนีการเป็นมากกวิถีเรามีสตมิมันจะเกิดการสังเกตธรรมะการเรียกธรรมะวิญญาณที่เกิดขึ้นไเาจอเห็นลักษณะของธรรมชาติของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมก็คือการกระจายอยู่เรานี่แหละ เรดูไปดูมาดูมาดูไปพอเราเคยหลกว่าเป็นเราเฮ้ยมันไม่ใช่เราอะ่ะประทําไปปรไปอ่ะนะแลวที่สำคัญคือตัวรับรองคือความเป็นปกติจะเด่นขึ้นอาวะผู้ดูจะเด่นขึ้น อ, อียกว่าสตีกตาต า, ท, าที่สาเนืมเม้อในตานที่มเปนัวเป็นธรรมาชาติมันเห็นธรรมาชาติตัวเรารู้จักตัวเรารู้จักทุกอย่างนันแหละ มันเห็นตัวเองเห็นทุกอยางแล้วแหละตาสติตาปัญญาเขาเรียกตาลูลรอบเขเรียกตาสับปะรดแต่นะหรือตาแห๋หรู้จับไม่แห๋มันมีตารอบเลยพกมาทางไหนเห็นหมดสูกลดิดเสียงปสาทำมาล้ลงแน่มันเห็นหเลยสมมติปัญญาของโลกอะไรก็ไม่เห็นหเลยสมมติตัจเป็นยังไงหรือความจริงจริงๆรงเป็นไงปว่าตัจัความจริงจริงจเลยการเนินไปนาเนี่ย ผู้ดใดไปปฏิบัติมากมันจะเป็นบารมีโองบวดนนั้นบาละไม่ว่าเต็มมีกับมีเต็มของบดวนนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความอดทนอดกลั้น มีเมตตาุนินาวิจารณเบียขมีปัญญาสำไมาที่คณเป็นคนธรรมพอ ป, ปั๊บรู้ปุ๊บการเกิดการไว้ยดูกายไม่เห็งกายเอยงเดียวไม่เห็นทุกอย่างเลยที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะ อ้เ็คำถามคือใครเห็นตัวเองเตอนนี้กำลังยืนเอจากเยอโอ้หคุณหมอเห็นมากหมดเลยใครเห็นอาการที่จิตมันแยบไปนะกระซาวมาแวบไปแล้วกระซามาใคนอานี้่ะอายุเบ เฉยๆหล่อเบี้ยเยอะเข้าใจเลยสามที่ไมยอมเจาะเลยโยกข้าแเมื่อกี้มียกมือไม่เห็าจารย์ไปกลับมาใด้เรืใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการถามชิมรองนีดเหียอยากให้เราชิมดูมีอวไรน้อยอ่ะลองชิมคาสองคำหรือราประมาณนี้แล้วถามว่าถ้าเรามีชีวิตเป็นปกติเวลาอยู่ที่บ้านนะเติบขึ้นมาแล้วรู้สึกจิตใจเป็นธรรมดานะเหมาะไหมทีารมแบบนี้ไปทางานหมาะไ ก็ทำงานได้ดีปกติปกติไงหรือว่าต้องทำหรือเกิดหัวใจรัยแต่ถ้าปกติเป็นหน้าที่จะต้องทำมันก็ทาแต่ใจมันก็จะโถมหล่อเลี้ยด้วยาป็กติมันก็เลยลักษณะทำแล้วไม่ค่อยหนายใจทำแล้วมีเป็นการที่เรนาใจเลยก็หล้อใจใจก็อบดีนะคับ่วนการเอานะอาสาทุนเองน่ยถ้าสาทุนเลือพราะวาอาตัวนดีแล้วดีแล้วมีได้เขิบัติีว่าประมาณนี้แบบตาหน้าที่ อธิบาความหมายตรงนี้นิดนึงถ้ามาเดินก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไป เ, เ, เไปลยวล่ากลก้ามเนื้อเองกระดูกเนี่ยมยัจะทำงานใช่ไหมพออาการซ้ำๆเบียบซ้ำๆไปสักพักเขาจะมีสัญญาณชีพโผล่ขึ้นมาเมื่อยปวดแล้วก็มีความคิดแอบนั่งเยอะเยอะเลยครัเพืนะ่อเราจะเห็นว่าเออเราเลือกที่จะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้ ใช่ไหมถูกไหมอย่างเช่นขับรถเอกใจอเงี่ยบางทีมันมีอาการเมื่อยข้นไปไปได้ไหมที่บ้นเนี่ยขับรถทางใจอ mm hmm. งนะเมื่อยแล้วทาไงเออเราไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องไปถึงจุดหมายปทางเราพยายามเร่ๆน้อยแต่รู้ว่าเมื่อยนี่คืออาการของสติเลนะใจเราก็ยังไปต่อมีความอดทนมีความอดกลันมีสันติมีสบายแล้ท้ายสุดกไ็ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพ แทนก็ยั ง, ไ, ไ, งไม่ไหวเหนื่อยจเกินเมื่อยคอยแวะก่อนเดี๋ยวเดี๋้วจจะไปมีสิ่งจุดหมายปล้ยทานนนงนะการปฏิาัเนาะมันจะเป็นการเรียนรู้การปฏนะิบัติธรรมเนี่ยบ้านแม่ก็เห็นว่าสมควรคือเวลาใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษเศษคิดว่าพอหอมปากหอมคอนะ มีใครมีคำถามหรืออยากจะถามอะไรให้ถามได้ทุกเรื่องเลยนะมีไหมแต่มาจะตอบทุกเรื่องเปล่ามับเรื่องมันตรมายนะมีหเดี๋ยวมันยากที่จะปล่อยวางอะไรนะมันยากที่จะปล่อยวางแต่คิดวันมันยากแต่ถ้ารู้สึกตัวปันวันนี้ ไปโปรยให้กำเนิดแต่คนใหญ่คิดว่ามันเลยวางไม่ได้นะเขกว่าเวลามีความทุกข์นะเขาก็บอกว่าไปยามที่จะปล่อยวางอะไรมันมันมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ของปลอมยอมต้องฝึกจนกระทั่งเห็นทุกข์เห็นตายเป็นทุกข์เห็นจิตใจของเราคือทุกข์เนี่ยปฏิบัติไปปฏบัติมาเนียบอกอะไรมันจะเห็นทุกข์นะ ว่าจะไม่ได้เห็นอะไรเห็นทุกเป็นวัตธรรมในโลกนี้ในทุกทั้งหมดอะไรไม่ได้อะไรเป็นสุขไม่ไมีมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนั่นก็นที่เราเห็นทุกข์อาถูกแล้วแต่สติรละลึกรู้ได้ว่าเป็นทุกข์นี่คืออาการของสติแต่ปัญญามันยังไม่แตกฉานออมาทะลุทะลวงโยก็ต้องฝึกเห็นซ้ําๆเห็นบ่อยๆนี่แหละมันถึงมีการมีคอรสแล้วก็ฝึกขัดปฏิบัติขั้นสํ ผู้ที่รู้จริงพาทาเข้ า, า, าใจได้ยังคนรู้ก็ชี้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วไปชี้หรือรู้แล้วไม่ชี้มันไม่ใช่รู้เขาก็มีรสการตรงมาผ่านแล้วพอไปชี้ก็ชี้ถูกใช่ป่ะเพราะนั้นกาลยันมิตรสอานัญไปหาเอาตาดีได้ตาไร้สิทธิหนีเสือป่าจระเข้เข้าใจได้ไหมไปทำ ถึงมามาเนี่ยม า, มาบอกว่าอยากฝึกหน้าดูไม่ต้องเงินเงินมไม่หย่อนเลยไม่ต้องอะไรหรอกแต่ถ้าฝึากมายอมนไปรู้ตวเนี้โยจะได้บอกคนที่รักต่อไปช่วยสังคมช่วยโรคทีเดิมจริงๆคนเป็นแบบนั้นที่รู้สอนน้องรู้หนึ่งเดไปช่วยกันเนี่ยที่นี่ก็มีคนหมอวอิศาสรเร่างวัาสางวายสงเออะไรนะคณะตารๆนี่เพียบเลยแต่ ตลอดจัดงานจัดงานมากันกระหล่ำกระแหลกตั้งแต่โควิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสเฉพาที่จะอยู่ได้มาบอกสามเดือนเนี่ยนถ้ามีโอกาสว่าอยากจะให้เต็มที่เลยไม่ต้องมาให้สมาเราไม่เอาอะไรไมอาอแไ ร, ไไรชวิตนึกออกไหมไม่อยากจะให้ความรู้เหลือนี้ยกับคนตัรู้สึกว่าเออไอที่วัดเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบนี้ที่วัดี่ยมันมีพระดูแลแทนแล้ว ในปฏิบัติธรรมกันตอนนี้สามสี่สิบคนอยู่ที่วัดเพราะถ้ามันมีคอร์สนั่นก็มีคนมาดูแลทั้งแล้วก็ที่สถานธรรมรัาตนา ม, มาใครจะเข้าจะออกเอาเลยทําให้อย่างดีเลยคนแจนี่วัแนแม่ก็ไปปฏิบัติกันจังหวัดระยองนะครั้นี้มายโดนกิจนิมนต์มาที่นี่มาอะนรฮะทำไมาที่นี่มีคนก็จะสอนเราหรอกทำไมมีใครสอนยังไงจะสอนตัวเองนั่นแหละอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสกา็มาเป็นเพื่อนกันนี่ยจะปล่อยให้ไม่เราตายอยู่แบบละเวงใช่ไหมเรา ามามีคนกวัดเนี่ยเยมากวัดแห้เนี่ย่าพร้อมเนี่ยาสบายบัดกลับเลยนะบอกให้เนะไม่นับพรรษาก็ได้เรือนตัวัเวินนั่งโยนะมันก็กลับเนะี่ยสามเดือนเรไม่เอาลราสายเนยะทิ้งเมื่อมาไ่ได้มาบสถเพื่อจะนับพรรษาแต่ว่าดูว่าที่ไหนที่ประโยนได้มากเรา ไ, ไอยู่ตนงนั้นก็ใจ ย, ยอยอมไปแล้วเองไม่หนักแพ้พูดแบบเนี้ยยม นั้นมาเป็นเพื่อนกันนะอยู่ไปก็าามาเลยมาบอกว่าทิ้งผัวมาหาค่าภูมิปรใจ่ายได้ไหมแล้วกลับไปสอนผัวมึอ ง, อ ง, ง, งต้องอย่างงั้นเองต้องอย่างนี้คุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันวกมนะไอ้อพวกไอ้อพวกไอทีออ่มีผัวเป็นทหารนะ่ะรูปไป้ไหมว่าไอ้อตัวเนี้ยที่ iation, นะขึ้นม dynamic vegetation เห็นไนะเขาสอนทหานะั่นน่ะรู้อ่ะไอ้อตัวเนี้ย เพื่อจะให้ฆ่าคนยังไงแล้วมีความสุขไ่ผิวิชาในไปสอบในคาตาว่เ า, าเอาตายแล้วเอาเรื่องแบบนี้ไปสอบในถานะเป็นคนทิ่ตื่นตัวฆ่าส า, าแล้วเอาตัวรอดได้เนาะเมื่อกี้ได้คำตอบไหมอยู่อามาตอบว่าไงอยู่มามางงยทุกคนมดทนั้นตรงนี้ทุกคนไม่หมดเท่านั้นอ เพราะฉั้นอย่ากได้ทุกมันหมนไปนะเป็นไปไม่ได้แต่รู้ทุกอย่างก็ต้องเห็นทุกเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดามันจะมีคำตอบแบบนะี้กขึ้นมาไปในใ จ, จิตใจของเปวดไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถ้ามันไม่ปวดสิมีปัญหามันหิวข้ามวามันเรื่องธรรมนานะไม่ใช่ต้องโมโหหิวนะกวดรู้ปวดค น, กค น, คนใกล้ตัวอะไรไม่ใช่หิวว่าดีแล้วก็ไปหาข้าวกินหรือติ๊กจอบจริงไหมเพรหิวเป็นสัญญาณชีตสัญญาณภัยที่สญญสญญญสแสดงออก แต่บางคนเอาความผิวเป็นโมโหเอาความีิวมาเป็นความทุกข์ความผิวมาเป็นต่อระชนัเหมือนขับรถอย่างเนี้ยคีนี้น้ามันมันหมดมันก็เคลื่อนแดงแรงเนี้ยเอาพอดีแล้วไงเป็นปกติไม่ใช่เวลาคนทําให้เราโกรแล้วมันมีความโกรพอดีแล้วไงเหตุด้วยห่อยก็ได้ขอความโกรธเป็นแค่อาการไม่จำเป็นต้องเอาความโกรธมาเป็นความทุกข์นันจะมีคําต่ออย่างเนี้ยเกิดขึ้นไหมแล้วเผื่อๆเอาความโกรธไปใช้เป็นพระเดชก็ได้ มันไม่ใช่คนเราจะต้องมาเฉิ ๆ, ๆเอาความโปรเมาเป็นพันเกได้ใช้เสร็จใช้เสร็จตามหน้าที่แลว้ววะวังดูด่าว่าต า, าได้เลยก็ได้แต่เพียงแค่ว่าทำด้วยเมตตาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยอารมณ์จริงไหมนี่จริงไหมนะพ่อแม่อย่างเงี้ยไปสอนลูกอย่างเป็นนิ่มๆปุ่มๆก็ไม่ได้ บางทีลูกจะโดนยิงลูกจะตกเขวเล่นจนกระทั่งอันตรายนะนต้องเฮ้ยเฮเขวเขวเขวเจ็บไหน้ําเสียงวีลายนะแต่พอลูกปลอดภัยแล้เออค อ, อยยังช่อหลวงมันเป็นธรรมชาติพราะนั้นปฏิบัติธรรมนะมันเป็นธรรมชาตินะโยมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดใเนีนะ้อย่างโทรศัพท์นะเราไม่นั่งสมาธิเราโทรศัพท์ดาวขึ้นมาเนยะสมาธิหลุดกลายเป็ น, นงดเก่งโถ่ฝัง อย่าปิดโทรศัพท์ชื่ดัง่ไม่รบกวนเพื่อนเลื่อไปเป็นตหนิเป็นเร่ในใจแต่ถ้าเราจเจริญสติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาว่าเรื่องของเขาไมเรื่องขอเนี่ยมันดีไปเนี้ยมันโลกจะสับสนุ้นวายมันก็เป็นเรื่องของเขาเกวบเราเลยแต่ของเราใจของเรกปกติอนยะ่นี้นเราเห็นมันอยู่เยวมาึกนนะไม่ได้หลอกไม่ด้วไม่ไ้ตให้ตุกเวลามาเยเดวิดววี่เนี่ยูกวันเสาร์ตอ น, ตอนกี่โมง่ ทุ่มถึงถึงสาทุ่มก็มีขามประจำเก่าๆอาิบาย ก, ก็คอยดูลูกค้านะอาทิตย์แรกมาเสาร์แรกที่แล้วนะนะเสานี้หายไปเป็นคนแต่ก็มาเติมีกคนอาลูกค้าเท่าเดินตัวสมมติว่ตัวก็คอยดออูถ้าเพิ่มเพิ่นก็มาปฏิบัติธรรมล้วก็สามารถที่จะเข้าใจทำมาแลยมมีกำลังใจเกิดขึนะ้นมาลุยโลกเลยในทะนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้หมดนะไม่ใช่ว่าจะต้องบังทับอย่างเกิดอย่างเกิดอย่าเกิดทุกอย่างที่มันเกิดคนอื่นมันเกิดกับเราได้หมดจะไม่ยอมอ่นเขาไว้ว่าไงคือเวลางมันเกิดไปอย่างขัดสนผู้นี้เพราะว่าเราขาดสารในสอเดี๋ยวกรรมการจะไปคุยกันเองแล้วกันเป็นปรกจนเงวลาอ่อโย ถามอะไราะมาไหมเอาเดี I I right ่ยากับตัวจะมาหมเนยไม่ไ <took> ม <me S 1> ่ไม่ไม่เคยคำถามมีคำถามโยมมีคำถามอะไรจะถามอาตมาไหมไม่มีคเยนนขอโทษไม่ต้องแครานี่รไม่ีเไม่ได้ไม่เป็นไรก็ยมมันยาวขาวตึงอะนะก็เท่าตำรา ไปโลกชอโอต่อต่อบต่อเมื่อพอดไวมรณาไปหายทีรวมเนี่ยเพราะว่าแม่จะมามาสงสัให้สงสัรพอดดยคว่านิสใจนะยก่อนที่จะมาเนี่ยมาไปเยี่ยมแม่แม่ก็มาขอนรถแล้วก็แอนยังนมเยอะนะคุยกันทำไมเอือ แน้าตายยังมีความสุนนะมเขเหมือนล่ะทําไมก็เอาของให้แม่ปกติที่ไปบ้านชาวขอไปเยี่ยมแม่ทุกครั้งเสร็จแล้วพอออกรถมาแม่กับอยู่คนเดียวบายๆให้กับหลังรถไม่รู้ว่าลูกดูลวกไปเดิแล้วอยู่คนเปลียนแล้ว เ, เ, เรื่องสติที่ยังใส่ให้ไม่ได้การทําดีมาทั้งชีวของแม่ตอนนี้แม่เพิพิลา มาเห็นเรื่อคนทำดีทำบุญนะเป็นแม่บ้านระดับจังหวัดระยองแม่บ้านระยองเป็จังหวัดใหญ่นะในประเทศไทยจังหวัดระยองอเป็นจังหวัดที่ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยนะเราเรารู้กันเศรษฐกิจเมื่อหารจํานวนากกอาจราจรและเศรษฐกิจดีที่สุดในประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มายอยู่มาทำํำสานักอยู่นะทีนี้แม่มานะทําดีเวลามีงานวัดงานวราจะไปช่วยัำข้าว เรื่องแฟร์ยังไม่ต้องปวดแม่จะ ด, ดูแลดีทุกคนแต่ท้ายสุดคนรุ่นหลังก็นินทาคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความตระหนแล้วแกก็แก่หมดคุณค่าเ ด, ดินได้แค่แกยอมรับไม่ได้เลยนะถ้าใครไปให้เงินแกแกจะใจดีนะเอาแจกทั้หมดเลยนะจะแมไว้กับตัวแม่แบงค์คงแบงค์พันธี่เรียนร่าอยู่ข้างถนนนะั่น พวกออกรำลังกายปั่นจัรยานชอบเจอตอนเช้าๆนะแม่ชอบไปโปรยข้าวได้ตังค์เท่าไหร่ดูเอ็มพ่ยอมเก็บตังค์แล้วแม่ก็ยังเหมือนกับคนบ้าๆบอๆคุยกับใครก็ไม่รู้คุยคนเดียวคุยกับความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ฝุกเพราะแม่ไม่เชื่อผมเรื่องอาตมาเพราะอาตมาเป็นลูกเนี่ยแล้นลูกเป็นไรมันเห็นไส้เห็นพุงเลยแกไม่เคยเชื่อเรื่อง ก, การฝึกสติ แต่พ่อในเชื่อคราวทั้งหนึ่งผมเลื่อนมาพาพ่อไปที่ประเทศอินเดียจะไปสอนเรื่องการฝึกสติกต้องพาไปถึงอินเดียในขณะที่ท่านเดินไม่ได้ก็พาใส่รถเข็นไปทุรกทุเลนนี่นะพระเจ้าตายตรงนี้นะพระเจ้าสอนทรรตรงนี้นะเด็กพระเจ้ารู้ธรรมตรงนี้นะพระเจ้าเกิตรงนี้ได้ถึงเชื่อว่าโอ้โหพระเจ้ามีจริงเหมือนแนี่ป็นเช้าพุทมาตั้นานไม่เคยเชื่อเลยพ่อก็มีอาการสลดลงนั่งแบบสลด ปกตินี่ไม่สนะุกมาก็สอนพ่อพ่อพลิกมือรู้สึกกลัวนะไปอยู่อินเดียกันแค่นอนด้วยกันในะห้องเดียวกันระหว่าพ่อพลายเาได้ดูแลกันครังสุดท้ายหลังจากจกลับมาก็พูดถึงเรื่องไฟอินเดียพูดถึงเรื่องของเนะี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆก็จะเป็น้ท่านเป็นนักน้องเนแ่เห็นเครื่องเต้นไม่ถพ่อพอเป็นลูกศิษย์เอ๋ลลอหลวงปิติไพร้องหลงนี้ ด, ด, ดนตรีตามโมดอะไรพวกนี้น เอกอายุทยาเลยนะเป็นปรมาจารย์เวลาอยู่ระยองก็เป็นฝราชชาวบ้านเวลาตัดสินเรื่ององตรีต้องมีสองคนชื่ออำนาจอมีแสงคนเป็นเจ้าบทเจ้าปลอยส่วนพ่อได้เป็นท่านอุตตรีกะไพรเจชนะเลิศในประเทศในระดับจังหวัดเลยเป่าต้องผ่านพ่อกับที่ระยองทำไมอย่างนี้ลึกถึงท่านจะไปเห็นลูกเอ๋อาวา๋อไว้ตีขิงเนยอะโอ้คนนี้เนี่ย ทั้งเก่งทั้งทางด้านดนตรีแล้วก็รู้ว่าเมอ่วเคยได้ที่หนึ่งระดับประเทศทางด้านสอบภาษาไทยที่หนึ่งของประเทศโรงเรียนมัธยมทราบมาไปยิ่งมานิมนต์การทํามานนิเนนมาพูดทำไมใจดีขนาดนี้เนาะทุ่งเทนับแสนแสนบาทเก่นค่าตั๋วในสาธทุกคราบเลยเนี่ยสาธุคือแสดงความดีนวัฒนาเี้ยเขาดีจริงๆเลยสายุประกา สาธุเออสาธุนะเพราะด้านแม่มานี่ยังไม่ได้รับมิสสงเลยแต่ว่าพอจะรู้ว่ามามาลรกม า, มาอเมริกานะแกจะชื่นใจว่อ้ยพระลูกไปธรรมดาเนี่ยไปอเมริกาคนแถวประเทศไทยเขากจะเป็นอย่างนี้แกยศสามัาสั่งรถไฟไหนมาไหนแล้วก็เด็กคุยกับชาวบ้านรู้สึกมนน้อยหน้าไทยเพราะนั้เขาอยู่คําพูดดีๆเขาอยู่กับบุญ แต่ท้ยสุดก็ปฏิความดีติดคุณถ้าใครไปชมว่าดีเขาก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราไปให้ไกลนะไกลกว่าแม่นะให้เข้าถึงแบบพ่อพ่อผมเรื่องธรรมานะธรรมะสองแท่พลิกมือรู้สึกตัวไปตกรลงเดียวกับย่าธารมามันเป็นยังไงจะเลยต่ำๆไหมพ่อก็เตรียมตัวตายแบเนีเ้ยเจริลยสติไม่เท่าไหร่ละพาไปอินเดียพาไปถนะึงธรรมงนะเจอแล้ว พ่อว่าไม่ได้พ่อว่าเมื่อไหร่พ่อจะนั่อย่างเงี้ยเขาเป็นนักดนตรีไงจะนั่งคอสจังหวัดนั่งเรารู้และในีนอุตสาหกรรมติดละติดละอยู่วันนี่นั่ ง, นะ ง, าา ง, งนี้นะขออภัยนะครับมองข้างล่างเห็นนะเห็นพ่อก็นั่งเนี้ยนี่เขาจเจริญสตอิอยู่ยงยมเคยไม่วันใดวันหนึงเนะี่ยออกนอกบ้านทุกอย่างออกไปเที่ยวไหนก็ไมอยากไปรู้ว่างานดีแต่ก็อยากไปอยากลุกอยา ก, ยา ก, ยากนั่งที่บ้านเฉยๆแล้วก็กระด็กเท้าเล่นแล้วก็ รู้สึกมีความสุขเคยไหมใครเคยยกมือเนี่ยนั่นไงอารมณ์กรมฐานนี่แหละคือรมกรรมฐานที่เราเรี้ยกเราโดยที่เราไม่รู้เรารู้ตัวมาก่อธรรมชาติมหลวงเลี้ยงใจเราเห็นไหมยิ่งเราไม่ให้อาหารมันเคลื่อนมือรู้สึกตัวนะสติจะเจริญ เ, เติบโตๆวันโตคืนพ่อธรรมาตายแบบนี้ตอนเช้าออกวันที่อะไร่แหละ28กุมภาพันธ์ ตอนนั้นอายุ85ปีกับ3เดือนเกือก2วันพ่อบอกที่สาวที่เป็นครูอยากกินส้มตำว้วันนี้ส้มตำปลาย่างไรยองเนี่ยต้องอำมารลอกมาสับๆๆๆใช่ไหมแ ล, แ, นหนแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยเน้อแล้วก็ใส่ปลาย่างปลาทูย่างแห้งๆแล้วก็ใส่เนื้อมั้ยแล้วก็ใส่ถั่วคั่วหน่อยมัน ใส่พริกสักเม็ดสองเม็ดถ้าเม็ดต้องการเผ็ดจัดอย่างเงี้ยนะเราก็ใส่น้ำมะนาวนั่นะนะครึ่งดีๆร่างดีๆแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็บิดจืดอลงไปอยีบขึ้อน้ำลายเดียว <c oughs> พอบีบมะนาลงไปรสชาติคกมกรอบดีๆของชอบของพ่อแล้วกิกนเข้าไปชะพรูแล้วก็ใบทองหลานแล้วก็ใบประยมสาใบนะปรากฏว่าพ่อร้องอยากกินไอ้ส้มตำปไปย่าง แม่เขาก็ไปจัดการกันดีแหละหาวัตถุดิบสักพักพ่อบอกวิสาว่าเฮ้ยมันหมดเวลาของพ่อแล้วเนี่ยพ่อพูดแบบนี้หมดเวลาของพ่อแล้วเอานาฬิกาลงให้เอานาฬิกาลงตอนตีห้ากว่าจะบองชาแล้วแล้วก็พ่อก็บอกอย่างนะี้นะคือบอกทุกคน แล้วก็นี่แล้วก็ตายความหมายว่าไงวันนี้ออกสองห้าใเียวอะไอ้พวร์ตีเป็นหวยชอบหวยไอ้ส่สัยคนีออกสอะวันมาบอกทุกคนใ้ซู่ซู่ พอแล้วไปแล้วบ า, บายบายเสร็จเราก็ตายเงาไหมเนะี่ยมาดูไอใครหลวงพ่อเขียงงนเมื่อกี้นี่พ่ออันี้มีสมาธิสูงก็แต่งเพลงได้เลยนะพอดเพลงแต่งเพลงใหม่ๆใช่ไห ม, ห ม, หมล่ะลาเป็นเพลงเวลาจังหวัดมีงานผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนะมหาเลิอดมหาชัยเราไปบรรเลงสดวันนี้ได้ใช่ไหมหมอมหาเลิอไม่ได้เปิดไม่ได้เปิด เตรียมอยู่เห็นเตรียมอยู่มีหมหาเลือดเงามหาชัยใช้ในงานสําคัญงา น, นเจ้างานงานายงานระดับจังหวัดพูว่าเห็นเตรียมหาแผ่นเนี่ยหลวงพ่อตายเพราะบุคสติแล้วพ่อตัวเองตายก็มีในสองการคุณสติซึ่งมาบวชแล้วก็ได้ทดแทนบุญคุณเข้าน้ำเรียบร้ยแล้วสําหรับพ่อและแวก็แม่แต่มาที่นี่ก็นึกถึงแม่ในยังโยมนะ่นแหะ แข็งแรงจริงๆนับแปดสิบแล้วเนี่ยรุนแม่ทำนมาเรียกแม่ได้เลยนะเราพูดซึงความรู้สึกตัวใช้คำว่าเนีสิ่งที่ได้ยินเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเอาละมันก็ชื่นใจละไอสิ่งที่พูดมาทัววา้งหมดรวมลงที่ความรู้สึกตัวประโยชน์ใชับครับอะไรเนะี่ยหลวงพ่อว่า เอาล้วลูกชายลกหมอแล้เอาแล้วเห็นว่าสมควรกับเวลาแนะล้วหรอท่านานบาก็ขอยุติไวเ่เพี่ยนคันี้นะก็ขออมนม์นาหรือว่ายินดีแล้วก็ขอขอบคนกับทุกคนทุกท่านที่เสียเจริญเวลาให้เราได้มารู้จักตัวเองกันแล้วก็ได้ให้โอกาสกักบผมเรียนมาได้ทาํางานได้ใช้คําพูดได้ใช้ความเรียกว่าบริสุทธิ์หรือเจตนาลม ที่เป็นความบริสุทธิ์เนี่ยแบ่งปันความรู้ให้พวกเราทุกคนทุกท่านก็ขอให้อ น, นิสงผลบุญหรือว่ากุศลหรือว่าการเจริญสติในคราวครั้งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้้าจุดหนุนสนให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้เข้าถึงความเป็นปกติสุขโ ด, ดยทุนกนักข่าทุกท่านทุกคนท่าเธอ อะระหังตัมมาตัมพุทโธภะคะวะ ทังหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหมตูตรงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอภัยยาป่าชาหมตูตรงเป็นสุสเป็นสุเถ<ๆ>ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยขขาอา น, นิจนาหมดตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขี่อาจารนางบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใ จ, ข จ, ขขใจด้วยการทุกคนทุกท่านตืจจ่นจะเกิดพรอนันมูทนาแม่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้บุญกุศสจนทั้งตรงท่านทำ มีใจสิ่งดีๆ น, นำไปสู่ความสุขความเจนนะริญนะดาวครบฝาถึงนางต้อยที่เอาผักตะเพามาแจกแาติโยดดมมาปฏิบัติกรรมพร้อมด้วยเอาพิดไม้ลงตาชอาาา้องถุงควงเอาฟ้าพดีเอาสาทุความกันเอาสาทุเออลูกซึ้งใ